ทที่หนึ่งสิสิ่งที่เห็นในสายตาอันตื่นตะลึงแทบจะเชื่อเสไม่ได้ในขณะนี้ก็คือพร้อมๆกับเสียงกึกก้องของกระสุนไรเฟิลนัดนั้นเจ้าสัตว์โลกล้านปีผู้กำลังขู่คำรามประหนึ่งจะคุกคานโลกทั้งหมดให้สงบอยู่ภายใต้อำนาจของมันบัดนี้หัวปักทลาเข้าไปปะทะกับยอดหินเบื้องหน้า ได้อาการเสียหลักอันเกิดจากความสะดุ้งเจ็บปวดผิดไปกว่าทุกครั้งหินไมคือมาลูกนั้นเคลื่อนไหวสะานสะเทือนไปด้วยน้ำหนักตัวที่พุ่งเข้าชนเสี้ยววินาทีที่มันหมดปฏิกิริยาทั้งมวลลงโดยสิ้นเชิงทุกสายตาเลยเห็นอย่างตะลึงงันจากนุมต่างๆในขณะนี้ครั้นแล้วไอ้ยักษ์ก็ตะ ก, กายขึ้นทรงกายยืนอีกครั้ง เพื่อเมื่อเสียงแผดร้องแหลมยาวเป็นสำเนียงครวนครางมากกว่าจะเป็นเสียงคำร้ออย่างดูร้ายอาดองค์เยี่ยมทุกครั้งเลื้อสีแดงฉานซึ่งทุกคนไม่เคยเห็นปรากฏชัดขึ้นจากร่างกายส่วนใดของมันไม่ว่าจะประเคนกระสุนเข้าใส่ซักเพียงใดบักนี้ไหลโกล่เป็นสายออกมาจากดวงตาข้างซ้ายซึ่งมันพยายามจะใช้ขาหน้าอันกุดสั้นผิดส่วนตบปัดอยู่ไปมานายถูกลูกตามันเข้าให้แล้ว เสียงจำกับเกิดตะโกนลั่นขึ้นด้วยความตื่นเต้นดีใจเหลือที่จะกล่าวได้และก็จริงดังว่ากระสุนจุด300เวเธอร์แม็กของดารินนัทนั้นพุ่งทะลวงเข้าไปในดวงตาภายใต้สันคิ้วหนาด้านซ้ายของมันอย่างจังที่สุดทะลุกแก้วตาดำฝังเข้าไปจนถึงรากประสาทดับตะเกียงของมันด้านนั้นให้มืดวูบลงทันทีพร้อมกับความเจ็บปวดรวดร้าวเลือที่จะกล่าวได้ เป็นการยิงอย่างเจตานาและตั้งใจเต็มที่ของเจ้าของกระสุนนัดนั้นเพราะเพิ่งจะสังเกตเห็นเป้าหมายดวงตาของมันอย่างถนัดเป็นครั้งแรกโดยทิศทางที่หมอบซุ่มอยู่ในขณะ น, นี้ไอ้มหายักทั้งดิ้นรนทั้งร้องสะบัดหัวฟักเวียงอยู่ไปมาออกเล่นปะท้ายหินรอบด้านถล่มทั้งคืนคลกลมวอากระตแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดทั้งอาณาบริเวณโลกเสี้ยวส่วนนั้น เศษก้อนหินขนาดใหญ่ต่อหลายต่อหลายก้อนหากร่วงหล่นลงมายังบริเวณที่ชายยันกามาเรียนหลบซุ่มอยู่บุตรวิจจะบทขยี้ร่างกายของทั้งสองให้แหลกลานไปต้องกระเสือกกระสนหลบภัยการชุนละมุนอย่างไม่คิดชีวิตชายยันฉุดกระชากแม่เพื่อนสาวต่างผิวของเขาผู้กําลังตะลึงนันตาเหลือคลางเพราะเห็นยอดหินเบื้องบนพังถล่มลงมาให้เข้ามามอบคููอยู่ใต้ซอกกบาบังแคบๆรอดพ้นจากการถูกบททับยันจวนเจียนที่สุด แม่สาวหลับตานั่นพังภาพนอนราบลงกับพื้นใต้ชะง่อนกำบังนั้นมือทั้งสองอุดหูโอ้กอดแฮมมี่ร้องออกมาแทบไม่เป็นภาษาทางด้านบุญคำและพรานอีกสามคนซึ่งกำลังช่วยมาเรียกับชัยยันระดมยิงอยู่ในขณะนี้ต่างก็หกคำเมนเเคเก้กริ่งกระจัดกระจายไปคนละิดคนละทางด้วยอนุภาพหินถล่มครั้งใหญ่นั้นแมเชิด้าเอง ผู้ไม่สามารถจะขยเยกออกมาเห็นเหตุการณ์เบื้องนอกได้นอกจากจะสงบกลั้นใจฟังอยู่ภายในโครงในโพรงถ้ำก็ยังสัมเนียดชัดถึงความสั่นสะเทือนอันเกิดจากฤธิ์ดิ้นรนอย่างรุนแรงที่สุดของเจ้าไทแรนโนซอรัสได้เขหลากไรเฟินคู่มือกัดฟันเกาะผนังหินพยุงตัวออกมาด้วยจิตใจอันหนักแน่นเ้าวหานและไม่คํานึงถึงสังขารของตนเองเพราะความเป็นห่วงต่อพักพวกทุกคนในขณะนี้ รพินไทยวันขนลุกชันขึ้นโดยความไปติและความหวังจากภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้การเป็นนักยิงเร็วและมักจะยิงก่อนใครๆทั้งสิ้นโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นของแม่ดอกฟ้าของเขาครั้งนี้แม้ว่ามันจะเคยสร้างผลเสียใดยๆมาบ้างแล้วก็ตามแต่ในครั้งนี้กลายเป็นผลดีขึ้นซะแล้วเพราะหลอนยิงได้อย่างแม่นยำและตรงจุดหมายที่ต้องการที่สุดก่อนที่เขาเองจะทันไหวตัวซะด้วยซ้ำ ใช้ไฟไว้ระพินพฉจนจะฟันให้ถูกตายข้างของมันเรลมตะโกนแหลมกล้องขณะที่กระชาบบอกกระสุนเก่าทิ้งแล้วยัดนัดใหม่ขึ้นรางเพลิงย่างไม้มันจอมพานกวาดลําไฟฉายจับไปที่ส่วนศีรษะหมุนทายอย่างรวดเร็วไปมาอันเนื่องมาจากความเจ็บปวดและริดอลาวาตอย่างบ้าข้างนั้นดารินพยายามจะเลงซ้ําไปที่เดิมแต่มันยากซะและ้วสาหรับเป้าหมายเคลื่อนที่อันทายวูบว่าไปมา สภาพของไอ้ยักษ์เหมือนไก่ตาแตกที่หมุนคว้างอยู่กลางบอลหาทิศทางไม่ถูกอ้ปาปากคบเขยิ้ลงไปบนก้อนหินใกล้ตัวอย่างดูร้ายโดยไม่เลือกชั่วพริบตาเดียวที่มันหันเบี่ยงศีสะเข้าวงของแสงไฟฉายและสูงปืนดารินเหนียวไก่ปล่อยกระสุนไรเฟิลแรงสูงของหลอนไปอีกนัดนึงทิ่มส่วนของขาด้าหลังของข้างเดิมแม้จะไม่ทันนักทันนีเหมือนนัดแรกแต่ก็ตรงเป้าหมายอันเป็นจุดอ่อนนั้นอย่างแม่นยำ โดยมือของคนยิงซึ่งมีความตั้งใจแน่วแน่ที่สุดนัดนี้เองที่ดูเหมือนจะช่วยให้สถานการณ์ร้ายทั้งมวลของคณะซึ่งเผชิญกันอยู่ในขณะนี้คลี่คลายลงไอ้มหายักษ์ไทรั่นหมุนติวไปอีกครั้งเหมือนช้างที่ถูกพึ่งต่อยปลายหวงมันทนยืนหยัดอลวาต่อไปไม่ได้อีกแล้วจากบาดแผลที่ดวงตาซึ่งนอกจากความเจ็บปวดรวดร้าวที่ได้รับแล้ว ยังทาให้มันมองอะไรไม่เห็นไปซีดหนึ่งออกแกล้งตะโพงอ้าวไปในทันทีนั้นพร้อมกับเสียงแหกร้องกึกก้องป่าหินแห้งล อ, อหน้าเป็นทางโดยไป่หยุดหลักบ่ายหน้าเปิดแนบไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเสียงแผ่นดินสะเทือนห่างไกลออกไปเป็นลําดับท่ามกลางเสียงตะโกนก้องโวยวา อ, อย่างยิ่ดีเลือดตายแล้วตกใหม่โครานพื้นเมืองทั้งหลาย ดังมาจากทิศทางที่หมดซุ่มกำลังตัต่นปั่นคนยิงเองบัตรนี้วางไรเฟิลลงกับพื้นดินทอดกายลงนอนพังภาพอย่างหมดเรี่ยวแรงยกมือขึ้นกุมขมับพร้อมกับหลับตาระบายลมหายใจยาวขอบคุณคุณพระคุณเจ้าลอนคลางออกมาแผ่วเบามารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อสัมผัสถึงวงแขนอบอุ่นที่โอบกอดไว้รอบตัว พอลืมตาขึ้นก็เลยเห็นดวงตาอันเป็นประกายลึกจ้องอยู่ก่อนแล้วในระยะใกล้ดารินโผเขากอดคอเข้าไว้แน่นซบหน้าลงกับอกพวกเรารอดตายแล้วครับอย่างน้อยก็ชั่วยระยะหนึ่งเพราะกระสุนทั้งสองนัดของคุณหญิงครับเสียงแกมใสนั้นกระซิบราชสกุลสาวยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกเป็นยิ้มทั้งน้าตาด้วยความตื้นตันดีใจจนพูดไม่ออกข้างๆตัวของบุคคลทั้งสอง เกิดและจันทร์กำลังกระโดดโลดเต้นโหร้องลิงโลดอยู่เช่นนั้นมันดังผสมผสานมากระเสียงกูตะโกนของพรรคพวกอื่นๆที่ดังมาจากความมืดรอบด้านเสียงการเคลื่อนตัวแล่นหนีของมันดังเหมือนพายุห่างไกลออกไปทุกขณะสลับไปกระเสียงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดเป็นระยะระยะจนกระทั่งในที่สุดก็เงียบหายไปในราตรีอันมีแต่ความเย็นและมืด คงเหลือแต่เสียงกูตะโกนเรียกหากันของคณะพรรคที่แยกย้ายกันอยู่ตามที่ต่างๆและลำแสงของไฟฉายที่ส่องเป็นทางกราดวูบว่บไปมาระพินฉุดประคองน้องสาวของนายจ้างให้ลุกขึ้นพวกเราอยู่ทางโน้นด้านโน้นครับไม่ไกลไปนักรีบไปกันเถอะครับปลอดภัยแล้วทั้งสองไต่ลงจากก้อนหินที่ปีนขึ้นไปสังเกตการณ ในขณะที่เกิดและจันกระโจนเดินลิ้วล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมทั้งกูเรียกวกเวกระพินกระดารินเว่งเร่งฝีเท้าตามไปโดยเร็วด้วยความรู้สึกอันโปรงโล่งยินดีจากสัญญาณแสงไฟฉายที่ทำให้สังเกตเห็นกันได้ถนัดในความมืดและเสียงกูเรียกเพียงชั่วไม่กี่อึดใจฝ่ายของชยันก็พบกับฝ่ายของพรานใหญ่ตรงกึ่งกลางใกล้ปากถ้าซึ่งขณะนี้เชิฐาอาศัยหลบอยู่ต่างปายเข้าหากัน และทักทายสอบถามกันแทกหมดด้วยความปิติเหลือที่จะกล่าวยาเมื่อพบหน้าและรู้ว่าไม่มีใครเป็นอันตรายร้ายแรงใดๆมาเรียโผเข้ากอดดารินไว้แน่นในขณะที่ชัยยันก็หัวเราะเสียงดังออกมาได้เมื่อแล่เห็นจอมพรานใครมันคนยิงให้มันเปิดอ้าวไปได้นี่คุณกำลังผู้กองชัยยันถามหอบๆตรงเข้ามาจับแขนเขาไว้คุณหญิงครับผมใช้ไฟคุณหญิงซัดเข้าไปในลูกตาของมันสองนัดซ้อน นี่ทำไมได้เป้าหมายดวงตาป่านนี้มันคงยังไม่ยอมไปนะครับวิเศษจริงๆน้อยฉันกเมกำลังจะถูกมันตะกุยหินลงมาบททับจวนแย่อยู่แล้วตอนที่เธอยิงสองนัดสุดท้ายนะ่ะชายันร้องหันมากอดดารินไว้ด้วยความดีใจพี่ใหญ่เป็นยังไงบ้างปลอดภัยขาสนเท่านั้นเองตอนที่พวกเราออกมาซักยักษ์ข้างนอกนะเชิฐานหลบอยู่ในซอกลึกรีบไปเถอะทั้งหมดชวนกันบ่ายหน้ามายังโพรงหินใต้เนิน อันเป็นตำแหน่งที่พักหลบซ่อนตัวของชายเชิดาโดยเร็วและพบกันพร้อมหน้าทั้งหมดอีกครั้งด้วยความปิติยินดีเหลือที่จะกล่าวบารินนั้นพอผูกก็ไปเห็นพี่ชายก็ผวาเข้าไปกอดไว้แน่นตรวจดูตามเนื้อตัวและซักถามอาการและล่ําละลักทุกคนพูดจากันฟังไม่ได้สับแซดไปหมดและน้องสาวก็คลายความวิตกกังวลลงอย่างมากเมื่อตรวจพบว่าอาการของพี่ชายไม่หนักหนาอะไรนักเพียงแค่เคลิดซนที่หัวเข่าเท่านั้น ไม่ถึงกับหักหรือดตก อ, อย่างที่เข้าใจแต่แรกทุกคนเข้ามามุงล้อมเชษดฐาเป็นวงกลมภายในซอกถ้ำนั้นต่างฝ่ายต่างบอกความกันและกันอยู่ครู่ใหญ่ถามกลางความตื่นเต้นยินดีที่รอดตายและปลอดภัยมาได้ทุกคนท่านหัวหน้าคณะมีสีหน้าแช่มชื่นขึ้นกว่าตาเมาสำรวจพักพวกทุกคนที่แวดล้อมอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้เหมือนจะตรวจนับจานวนไปทีละคนพอสิ้นจุดเอาคนท้ายคือสา่างตา นับจำนวนรวมทั้งตัวเขาเองได้สิบเอ็ดคนอดีตท่านทูตทหารบกก็ขมวดคิว้วเอ๊ะขาดหายไปคนหนึ่งเงาทรายอยู่ไหนนี่เมื่อนั่นเองทุกคนจึงเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้อีกครั้งมองหน้าสำรวจกันเองไปมาความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะดารินหันไปสบตารารใหญ่ซึ่งบัด น, นี้นิ่งสงบเหมือนจะครุ่นคิดอยู่พลางหันไปบอกพี่ชายว่า ราพินบอกกันน้อยว่าเขาแยกกันแง่ายตรงตีนเนินแล้วออกพผ่นหนีไปคนละทางตอนที่มันเริ่มไล่พวกเราว่าแต่พวกเราคนอื่นๆเน่ะมีใครเห็นแง่ทรายบ้างไหมในการสอบซักเป็นรายตัวจากบรรดาพวกพลานพื้นเมืองทั้งหลายไม่ปรากฏว่ามีใครได้ข่าวหรือเห็นแง่ทรายอีกเลยแม้แต่เสยกระสางตาซึ่งแยกไปอีกทางหนึง่งก่อนจะมาสมทบกับฝ่ายของเชิาภายหลังถ้างั้นก็เห็นจะเป็นคุณนั่นแหละ ที่พบเห็นและแยกกันงยสายเป็นคนสุดท้ายเช ย, ยันบอกกระจอมพรานด้วยเสียงแผ่วต่ำแววกังวลเริ่มก่อเงาขึ้นในความรู้สึกของทุกคนจากรูปการที่เห็นสายตาทั้งหมดพุ่งมารวมจุดอยู่ที่เขาเป็นเป้าหมายเดียวท่านใหญ่กัดดมฝีปากเบาๆปากคู่นั้นรี่ลงครับผมก็เข้าใจว่าเช่นนั้นแหละครับภาพครั้งสุดท้ายที่เห็นเงสายกระแยกจากผมวิ่งผ่านใต้ท้องมัน พยายามจะไปทางตีนเนินของภูเขาหินที่เราหมายจะไปพักครั้งแรกนี่หมายความว่าระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินครั้งหลังสุดตอนที่มันเริ่มไล่พวกเราเงยส า, ายแปกแยกหนีไปตามลำพังคนเดียวงั้นเหรอท่านหัวหน้าคณะถามด้วยบุคลิกอันสงบเยือก เ, เย็นเป็นปกติของเขาซ่อนแววรุ่มร้อนไว้อย่างมิชิดแงยสซยบอกกับผมว่าจะแยกไปเก็บคันธนูที่ตกอยู่ตีนเนิน ครั้งแรกผมได้ตามไปด้วยและได้ใช้ใต้ติดไฟล่อมันไว้เพื่อเปิดโอกาสให้แงซายเล็ดลอดผ่านมันไปได้แต่เกิดเหตุขับขันโจนตัวขึ้นซะก่อนจึงต่างคนต่างหนีที่ร้ายที่สุดก็คือแงซายวิ่งไปเอากันธนูทางด้านหนึ่งส่วนระพินก็พากระบอกสอนวิ่งแผละแยกมาอีกด้านหนึ่งธนูกับลูกก็เลยไปกันคนละทางดารินบอกมาโดยเร็วเชษฐาชายันและมาเรีย ครางอะไรออกมักในลำคอรพร้อมกันอย่างโปรงอนิจจังต่อเหตุการณ์มีหน้าล่ะมันฉุกลระหุกสับสนกันดีแท้เหตุการณ์ไม่เข้าข้างเราในครั้งนี้ตลอดเวลาผมคอยภาวนาฟังเสียงอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่จะได้ยินเสียงระเบิดขึ้นมันหมายถึงว่าคุณกระแงสายจัดการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทาไมถึงไม่ยิงก็เพิ่งมารู้เอาเดี๋ยวนี้เองว่าคุณกระแงสายแยกหนีกันไปคนละทาง มีน้ำซ้ําธนูกระดอกสร อ, อย่างพลอยแยกจากกันซะอีกด้วยเว้นแท้ตามปกติแล้วเงยสายสะพายกระบอกสอนติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอแล้วกระบอกสอนมาอยู่กับคุณได้ยังไงอ่ะตอนไหนก็ตอนที่ผมช่วยเงยสายออกมาจากขาติดซอกหินไงครับตอนนั้นเราสองคนแล่นมาแอบอยู่หลังก้อนหินเงยสายตัดสินใจที่จะไปเอาคันธนูที่บอกกับผมว่าทําตกไว้ตีเนินตอนที่มันโผล่ขึ้นมาครั้งแรกผมห้ามไว้แต่เงยสายไม่ฟังเสียง แล่นพระออกจากที่หลบไปทันทีขณะนั้นไอ้ยักษ์มายืนขวางทางอยู่ด้วยก่อนจะวิ่งออกไปเงาทายเขายักกระบอกสอนว่าให้ผมมันทําให้ผมรู้ว่าเงาทายบีบบังคับผมโดยตรงที่จะต้องให้ร่วมทางไปด้วยกันมิฉะนั้นจะใช้คันธนูไม่ได้เพราะแกลงออกกระบอกสอนมาฝากไว้ที่ผมแล้วเช่นนั้นผมก็เลยต้องตามออกไปด้วยทําหน้าที่คอยล่อไอ้ยักษ์เป็แล้วเหตุจําเป็นก็มาทําให้ไม่สามารถจะวิ่งไปทางเดียวกันได้อย่างที่เรียนมาแล้วแหะครับ อืนใดก็เว้นไว้ก่อนเถอะบัญหาตอนนี้ก็คือแง้ายในะอยู่ที่ไหนถ้าเขายังมีชีวิตปลอดภัยอยู่เขาก็น่าจะเห็นแล้วนี่ว่าไอ้ยักษ์ผ่ะจากการจ้องคอยรังควานหันไปแล้วเขาควรจะโผล่กลับมารวมกับพวกเราไม่ใช่เหรอมาเรียกล่าวแทกขึ้นในทันทีนั้นและทุกคนก็นิ่งกันไปครู่หนึ่งด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจกล่าวถูกฮอบานนี้จะเข้าไปอยู่ในท้องไอ้ยักษ์นั่นเสร็จแล้วก็ไม่รู้ซะ เสียงใครคนหนึ่งในบรรดาพรานพื้นเมืองซึ่งยืนเงียบเฉยอยู่พึพรรมพำขึ้นเบาๆและคนนั้นดูเหมือนจะเป็นบุญคำผมจะออกไปตามเองครับจอมพรานพูดสั้นๆแล้วขยับตัวแต่ชัยันคว้าไหลไวซะก่อนเดี๋ยวผู้กองผมจะไปด้วยอดีตนายทหารปืนใหญ่ว่าแล้วหันมาทางดารินกบมาเรียสั่งว่าน้อยเมบุญคา แล้วก็สั่งปาสี่คนน่ะอยู่เป็นเพื่อนเชษถาที่นี่แหละนอกนั้นทุกคนมาด้วยกันทั้งหมดดีมากทุกคนทำตามคำสั่งของนายทหารได้เลยท่านหัวหน้าคณะเห็นด้วยกาชับมาอีกคนทั้งหมดเว้นจากบุคคลที่ถูกกำหนดให้อยู่เป็นเพื่อนเชษถาพาการุดออกมายังปากท่านโดยเร็ ว, รวความร้อนใจเป็นห่วงทำให้ท่านหัวหน้าคณะบอกให้น้องสาวและมารีประคองเดินขเเยกออกมา หยุดรอคอยอยู่หน้าปากถ้ำด้วยพวกพลานพื้นเมืองช่วยกันกูตะโกนเรียกออกไปเสียงอื้ออึงไปหมดแต่ผลที่ได้รับก็คือความเงียบไม่มีสำเนียงใดๆของแง่ทรายตอบมาให้ได้ยินทั้งสิ้นดูราวกับว่าจอมพระเนจรจะอันตรฐานไปซะแล้วพร้อมๆกับการไปของยักษ์ไทรันนสรัสยิ่งทำให้ทุกคนร้อนใจและ ว, วิตกกังวลเพิ่มขึ้นเอมันถ้าจะไม่ได้การจะละนาย ถ้ามันหลบอยู่ใกล้ๆนี่มันก็น่าจะได้ยินเสียงกูของเราแล้วก็กูตอบมาน่ะนายจันกระซิบกับเจ้านายของตนคนอื่นๆก็หันมามองหน้ากันเองอยู่ไปมาระพินไม่เ อ, อ่ยคำใดทั้งสิ้นสีหน้าสงบราบคาบเป็นปกติยากที่ใครจะอ่านความคิดถูกออกเดินนำตัดไปในป่าหินบ่ายหน้าไปยังเนินลูกใหญ่ที่ข้าวของสัมภาระทิ้งตกอยู่นั้นทันที ลอยไฟของเชตดาให้รอคอยฟังข่าวอย่างกระวนกระวายใจอยู่เบื้องหลังชายันเดินฉายไฟเคียงคู่เข้ามาติกๆด้วยความรู้สึกอันไม่เป็นสุขทั้งหกคนผ่านไปในระหว่างซอกหินอันปรักหกักพังด้วยฤิษเดชอาลวาดของเจ้าสัตว์ใหญ่กอดหญิงกระจายหล่นเกลื่อนกลาดไปหมดเกิดเซยจันและขยินกูให้เสียงไปตลอดทางแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงกู รือสัญญาณตอบรับใดๆทั้งสิ่งและทั้งสี่ก็เงียบเสียงไปเมื่อพรานใหญ่บอกให้หยุดกู่จะแหกปากไปทำไมให้มันคอแห้งกระเปล่าเล่าเขาบอกกับคนของเขาเหล่านั้นอย่างหงุดหงิดใจท่ามกลางสายหมอกอันหนาวเยน็นจับกระดูกคนเหล่านั้นเดินกันไปเงียบๆระพินเอาไฟฉายส่องสำรวจดูตามก้อนหินสองฝั่งทางและตามบริเวณพื้น ดูรอยเลือดที่ไหลทะลักออกมาจากบาดแผลที่ตาซ้ายของไอยักษ์ซึ่งแลเห็นกองอยู่เป็นหยอ่อมและกระจายสาปเปร้อเลอะทั่วไปหมดตามก้อนหินเหล่านั้นมาหยุดชะ ง, งักนิดนึงตรงทางแยกที่ไอเดโนเสามหาการบ่ายหน้าแล่นตะลุยเปิดอ้าวไปซึ่งแลเห็นหินหักพลิกเป็นช่องทางราบลู่ราวกับเครื่องบินไอพน่นแล่นชนแล้วออกเดินต่อลักษณะที่ชายันสังเกตดูรู้สึกว่า เขาไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรนักสาหรับการติดตามหาร่องรอยของแง่ายนอกจากจะมุ่งบ่ายหน้าไปทางตีนเนินหินใหญ่แต่อย่างเดียวจนอดีตนายทหารปืนใหญ่อดโดนทนอยู่ไม่ได้คุณคิดยังไงผู้กองแง่ายเสียท่ากลายเป็นเหยื่อของมันไปแล้วลักกระมังไม่ก็ถูกกินทับตายไปแล้วยาร้อนใจไปเลยครับคุณชยันนั่นเป็นเสียงตอบเรียบๆของคนนามสกุลไพร์วัน ถ้าจะ ก, กลายเป็นเหยื่อไอ้ยักษ์นั่นหรือถูกหินทับตายไปแล้วก็แปลว่าต้องโดนเข้ากับฝ่ายพวกเราก่อนมันครับไม่ไหมายความว่าคุณเชื่อว่าแง่สายยังมีชีวิตรอดปลอดภัยอยู่เหรอละพินมาพนันมาพะนันกันก็ได้ครับถ้าคุณเชยันไม่เชื่อก็แล้วทำไมเราถึงไม่ได้วี่แว่ร่องรอยอะไรของมันเลยล่ะกูเรียกไปก็ไม่ได้ยินเสียงตอบหรือว่ามันตะเตลิดเปิดเปิมไปไกลลิฟเกินกว่าที่จะได้ยินเสียงพวกเรา ระพินหัวรอคือในลำคอมันไม่เพ่นไปไกลๆ ใ, ให้เมื่อยให้เสียเวลามันหรอกครับเชื่อผมเถอะป่านนี้มันนั่งกระดิกตีนสบายใจเฉบอยู่ที่กองสัมภาระของเรานั่นแหละครับช่ ย, ยันลืมตากว้างร้องอุทานออกมาคำหนึง่งถ้างั้นมันก็ต้องได้ยินเสียงกูของเราและควรจะส่งสัญญาณตอบมาแล้วสิคุณไม่งั้นมันก็ควรจะตามไปสมทบกับเราที่ถ้านั่นหลังจากที่ไอ้ยักษ์มันไปแล้ว โธ่คุณชายันครับนี่อยู่ร่วมกันมาตั้งนานนะยังไม่รู้เช่นเห็นชาติรู้สันดานของเจ้าแง่ทรายเหรอครับมันจะกูตอบเราทําไมให้เปลืองแรงเปลืองเปลืองเสียงเปลืองแรงก็ในเมื่อมันรู้อยู่แล้วว่าถึงยังไงซะพวกเราก็ต้องย้อนกลับมาที่สัมภาระที่หล่นอยู่แน่ๆหลังจากไอ้ยักษ์ไปแล้วมันนั่งสบายใจร้อยเราเดินไปหามันเองไม่ดีกว่าเลยครับเฉยๆเถอะครั บ, รบตามผมมาแล้วเดี๋ยวคุณชายันจะเห็นเอง ว่าจริงอย่างที่ผมพูดไหมชั ย, ยันกระเดือกน้ำลายลงคอฟุดๆมองหน้าพรานใหญ่อย่างไม่เชิงจะแน่ใจนะักแต่ก็ไม่เอ่ยปากคำใดแล้วก็จริงดังว่าพอโผล่พ้นแนวหินช่องทางเดินทึบนั้นออกมาสู่ที่ราบตีนเนินลำไฟฉายของระพินที่ซองตัดสายหมอกออกไปก็กวาดไปกระทบร่างหนึ่งนั่งนิ่งอยู่บนก้อนหินริมทางขึ้น เสียงพวกพรานพื้นเมืองร้องอุทานออกมาโคมอย่างยินดีแล้วตะโกนทักทายวกวิกส่วนชยันอ้าปากคางหันมามองหน้าจอมพรานด้วยสีหน้าอันปั้นยากที่สุด พ, พาสิไอมหาเวนแงซ า, ายนี่ไม่มีใครทันมันได้หรอกนอกจากคุณคนเดียวเท่านั้นผู้กองไปไม่เดี๋ยวผมจะถีบมันสักอึกนึงชยันพูดลอดไรฟันออกมาทั้งหมดเดินตรงเข้าไปที่แงซายโดยเร็ว ร่างนั้นยังคงนั่งนิ่งเฉยอยู่กับที่ในลักษณะเดิมจนกระทั่งทุกคนเข้ามายืนรายล้อมอยู่ตรงหน้าข้าหน้านั้นตายด้านปราศจากความรู้สึกใดๆจะส่อให้เห็นนอกจากกระพริบตาอยู่ปริบๆขณะที่มองไปยังพรานใหญ่และช ย, ยันช ย, ยันนั้นง้างเท้าขึ้นหมายใจจะถีบไปหกคเมนไปคาตีนแต่แล้วก็ถีบไม่ลงเพราะความขันเมื่อแลเห็นสีหน้าอันแลดูเซอร์ซาปอหลอนั้น เปลนมาเป็นโครงหัวพร้อมหัวเราะโถไอชิบหายแงซายเสือกมานั่งนิ่งเป็นลิงอยู่ตรงนี้เองพวกเราร้อนใจเป็นห่วงทับตายมันน่านะ่ะหูแตายรึไงพวกฉันกูเรียกหาเองจนคอแหบคอแห้งจะให้เสียงต่อมาสักนิดก็ไม่มีดันนั่งซึมกระทือเงียบกริบอยู่ได้แงซายยกมือทั้งสองขึ้นกลุมศรีษะ ทำหน้าแย่พูดอ่อยๆแงซายเกือบตายน่านายทหารล้มหัวไปฟาดกับหินงงไปหมดอูอือไม่ยินเสียงอะไรหมดความรู้สึกไปชั่วขณะพอรู้สึกตัวก็เดินมานั่งอยู่ที่นี่ทำอะไรไม่ถูกชัยยันอดหัวเราะออกมาไม่ได้จุปากลั่นมองดูเจ้าแงซายอย่างเหลือระอาใจนี่ไอหอกหักถ้าเองจะมานยาตออะไรอะไรแล้วก็ ถึงแม้จะไม่เกรงใจฉันก็เกรงใจผู้กองเขาบ้างละ่ะเขามองเห็นลวดลายกระล่อนเงียบของเองอยู่ทุกฝีก้าวย่างทีเดียวแล้วก็น่าจะขอบใจเขามากๆนะที่เขาไม่เคยกระทืบเองเลยสักครั้งเดียวส่วนชั้นรุ่นายใหญ่นะ่ะไม่แน่ไม่ช้าก็เร็วเองคงเจอสักวันเนาะถ้าไม่เหลิกสันดาลเหลี่ยมจัดแบบเนี้ระพินไครวันไม่สนใจกับคําพูดอะไรระหว่างชัยยันกับเงยสายทั้งสิทธิ์ถามขึ้ขึมงว่า ได้คันธนูมาหรือเปล่าแทนคำตอบแม่สายชูคันธนูที่วางซ่อนอยู่เบื้องหลังให้ทุกคนเห็นดวงตาทั้งสองคู่แลศกันนิ่งแลวต่างฝ่ายต่างก็ถอนใจออกมาราวกับจะนัดกันไว้โชคไม่เข้าขางเราอ่ะในครั้งนี้จอมพรานบุนออกมาเหมือนจะกล่าวกับตัวเองถ้าเพียงแต่ผู้กองจะวิ่งไปทางเดียวกับผมเท่านั้นล ใช่สิถ้าไงแต่เหตุการณ์มันไม่สามารถจะช่วยฉันทำเช่นนั้นได้ถ้าจะโทษซัดกันอยู่แบบนี้ฉันก็น่าจะโทษได้ว่าแกเสือกเอากระบอกสอนเอให้ไว้ที่ฉันทำไมถ้าเพียงแต่แกจะสะพายกระบอกสอนติดตัวไว้ด้วยเท่านั้นเงยสายยิงฟันขาวแล้วร่างนั้นก็ลุกขึ้นยืนเต็มตัวทุกคนพวกเราปลอดภัยเรียบร้อยดีอยู่แล้วครับผู้กองเออ ปลอดภัยอยู่ครบนายใหญ่คนเดียวเท่านั้นแหละที่ขาแพลงทุกคนเป็นห่วงแกทั้งนั้นแหละนาเป็นไงข้าวของสัมภาระของเราอยู่ดีป่ะผมตรวจดูแล้วยังเรียบร้อยดีอยู่กองอยู่บนนอนครับพวกเขาจอมพเนจรตอบพร้อมกระชี้มือขึ้นไปบนไหลเนินตำแหน่งซึ่งทุกคนตั้งใจจะพักแรมแต่แล้วก็มีเหตุอันเป็นไปต้องเผชิญหน้าแปลกต้องเผชิญหน้าแปลกหนีไอ้ยักษ์ซะก่อน ท่านนั้นจะเอาอยัางไงดีผู้กองเราจะช่วยกันขนสัมภาระพวกนั้นย้อนกลับไปอาศัยหลบนอนตรงถ้ำที่เชษฐาพักอยู่ดีหรือเปล่าชายันอย่างความเห็นภายหลังจากแงนหนามองคิดอยู่ไม่ถึงอึดใจระพินก็ไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่โบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนที่รวมกันอยู่ยังตีนเนินขณะ น, นี้ไปตามเขาขึ้นไปยังไหลที่พักตอนนั้นเมื่อขึ้นมาถึง ตางพบกองสัมภาระซึ่งควรจะตกหล่นกระจัดกระจายอยู่กลัดเกลื่อนบับนี้ข้ามาวางกองรวมกลุ่มกันไว้อย่างเรียบร้อยตรงบริเวณเวิงชะง่อนหินที่ยื่นลำออกมาใกล้ตำแหน่งซากต้นไม้ลมอันรับผินหมายตาไว้ก่อนแล้วพรานใหญ่กับคนของเขาใช้ไฟส่องสำรวจไปรอบๆและจันก็เข้าไปพิจารณาที่ซากต้นไม้นั้นอย่างละเอียดถีทวดพอจะใส่เป็นฟืนได้ไหมจัน พรานใหญ่รอกถามเบาๆสบายมากครับนายต้นไม้ต้นนี้อายุไม่มากนะักเนื้อยังไม่แข่งจนกลายเป็นหินไปเหมือนอย่างที่เราพบต้นอื่นๆครับพร้อมกับพูดจันใช้มีดประจำตัวทดลองถากเบาๆและหยิบเศษที่หลุดออกมาขึ้นพิจารณาคุณชยันครับผมขอความเห็นหน่อยเถอะครับระพินหันไปทางอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้ยืนอยู่ข้างๆ เราจะเลือกกันยังไงดีครับช่วยกันแบกหามสัมภาระของเหล่านี้กลับไปที่ถ้าของคุณชายหรือว่าจะไปรับคุณชายกับพวกนั้นให้มารวมกันที่นี่และพักแรมตรงนี้ตามที่เราวางแผนไว้แต่แรกครับชายันมีสีหน้า ง, งงเล็กน้อยมีอะไรแตกต่างในผลดีผลเสียระหว่างการเลือกสองข้อนี้และครับปุกกมีครับคือถ้ากลับไปพักตรงถ้าที่คุณชายอยู่ในขณะนี้ เราจะอยู่กับความมืดและความหนาวอย่างทารุณที่สุดจนกว่าตะวันจะขึ้นแต่ก็เป็นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการจู่โจมของไอ้ยักษ์นั่นถ้าหากว่ามันจะหวนกลับมาอีกแต่ถ้าพักอยู่ตรงนี้ที่ทางมันจะสะดวกกว่าแล้วเราก็อาศัยก่อไฟได้แต่มันก็หนาหวาดเสียวและก็เสี่ยงหน่อยครับชยันพยักหน้ายกมือขึ้นลูลายคางอันเย็นเฉียบบัดนี้เขาไม่ได้คิดถึงสิ่งใดทั้งสิ้น นอกจากความเป็นห่วงเชิาเพื่อนรักเป็นสำคัญที่สุดปัญหามันก็มีอยู่ตรงข้อที่ว่ามันจะย้อนกลับมาอีกหรือไม่เท่านั้นใช่ไหมครับถ้ามันไม่กล้ามาอีกเราก็พักที่นี่กันได้อย่างสบายละครับอ่าแลวถ้าตามความคิดของคุณลระผู้กองไอ้เหี้ยโบราณนั่นมันจะย้อนกลับมาอีกไหมข้อนี้นะผมคิดว่าไม่มีใครคาดการได้ดีไปกว่าคุณเรื่องแง่ายหรอกนะ จอมพรานป้องมือทั้งสองประคองไว้แล้วยกขึ้นเอาปากเป่าเพื่ออาศัยไออุ่นจากลมปากแก้ไขมืออันหนาวเย็นแทบจะเหยียดนิ้วไม่ได้ของเขาเท่าที่ผมเห็นนะครับคุณหญิงยัดลูกปืนเข้าไปในตาซ้ายของมันอย่างจังๆสองนัดซ้อนตาแตกเลือดโชกแล่นอ้าวไปแล้วเชื่อว่าคงจะเจ็บปวดมากและตาข้างนั้นก็น่าจะบอดพิการไปแล้ว หลงไปพบกับความเจ็บปวดสาหัสแบบนี้เข้าบ้างผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะกล้า ก, กำแหงย้อนมาเล่นงานเราอีกนะครับอย่างน้อยก็ในคืนนี้นี่พูดกันถึงธรรมชาตินิสัยของสัตว์โลกทั่วไปนะครับถ้าคุณเชื่อเช่นนั้นนะผมก็ว่าเราก็ควรจะย้ายมาพักกันที่นี่ตามเดิมจะได้ทรมานน้อยหน่อยผมเองก็แทบจะแย่อยู่แล้วผู้กองแขนขามันเหมือนจะเหยียดไม่ออกนั้นแหละ กว่าจะสว่างก็อีกหลายชั่วโมงหิวก็หิวอื่นใดก็ไม่สำคัญหรอกผมเป็นห่วงเชิดถาเท่านั้นแหละขณะนี้เขาไม่สามารถจะเคลื่อนไหวช่วยตัวเองได้ถนัดเพราะขากระเพกฉวยมันย้อนกลับมารังควานเราอีกทีตอนที่พักกันอยู่ที่นี่แล้วก็แก้ไขไม่ทันแน่เชื่อผู้กองครับนายทหารไอ้ยักษ์จะไม่ย้อนมาอีกในคืนนี้ครับแง่สายยืนยันหนักแน่นมาอีกคน ทางนั้นก็โอเคไปรับเชธากับพวกนั้นมาที่นี่แล้วกันชัยยันตัดสินใจทันทีราพินสั่งให้แงซสายและพวกพรานพื้นเมืองของเขาที่ตามมาด้วยกันเหล่านั้นจัดการเตรียมที่พักนอนและถากไม้ก่อฟืนเตรียมไว้เขาเองและชัยยันเพียงสองคนพา ก, กันเดินย้อนกลับมายังตำแหน่งที่เชธถาพักรอยอยู่โดยเร็วก่อนจะผละมาไม่ลืมที่จะปลดกระบอกสรที่ยังคงติดตัวอยู่ส่งไปให้แงส า, ายเก็บประจำตัวไว้ แล้วอย่าเสือกแยกธนูกระดอกสอนนักจับจา ก, กันอีกล่ะโอ ก, กาสที่เราจะรอดเหมือนอย่างคืนนี้คงไม่มีแล้วถ้าไปเชิญหน้ากับมันอีกครั้งเขาบอกข้วนหุน่นสี่คนพร้อมทั้งคนทุกพลภาพชั่วคราวอีกคนหนึ่งกำลังจับ ก, กลุ่มหนาวสันคอยอยู่แล้วด้วยความกระวนกระวายใจในทันทีที่เห็นเงาของพรานใหญ่กระชัยยันโผล่กลับมาเงียบเงียบ เ, เพียงสองคนต่างก็ไว้ตัวพวาเข้ามาซักถามกันแทก แล้วฝ่ายของเชีฐาก็ได้รับรายงานว่าค้นพบแง่รายแล้วในสภาพที่ปลอดภัยรอคอยอยู่ตีเนินตลอดจนแผนการที่จะเคลื่อนย้ายคณะทั้งหมดไปพักยังตำแหน่งที่หมายตาไว้เดิมทั้งห้าคนยินดีและโล่งใจขึ้นเมื่อทราบว่าแง่รายยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ผมให้พวกนั้นจัดที่พักแล้วก็เตรียมก่อไฟไวแล้วครับคุณชายพจะขวิตขยกไปไหวไหมครับผมกับคุณชายยันจะประคองไปเอง ระยะมันก็ไม่ไกลนักขืนพักจุดตรงนี้เราหนาวแย่แล้วครับจอมพลันบอกดารินหันไปมองดูพี่ชายอย่างกังวลแต่เชิถามเม้มปากพยักหน้าอย่างบึกบึนทาร่าหดไม่เป็นไรผู้กองผมพอจะกระเพลิกไปได้ไม่ต้องห่วงหรอกว่าแต่ที่นั่นก่อไฟได้แน่หละครับสากต้นไม้ที่เราหมายตาไว้ต้นนั้นอาศัยก่อไฟได้ครับ ชัยันรีบตอบแทนมาให้พร้อมกับยิ้มปลุกปลอบให้กำลังใจสหายผู้กำลังบาดเจ็บของเขาดารินหันไปซุบซิบอะไรอยู่กับมาเรียและมองหน้าชัยันกับระพินคุณคิดว่าปลอดภัยแน่เหรอไยวันฉันหมายความถึงว่าไอ้ยักษ์นั่นมันจะไม่ย้อนกลับมาอีกในคืนนี้นะมาเรียถามเบาๆอย่างไม่ไว้วางใจนักผมกล้ารับรองครับอย่าช้าอยู่เลยไปกันเถอะ พร้อมกับตับบดบทแานใหญ่ข้ามาประคองปีกของท่านหัวหน้าคณะไวา้ชัยยันก็ขนาบช่วยพยุงอีกข้างหนึ่งพาเชษฐาออกเดินทันทีดารินมาเรียบุญคําและส่างตาก็ตามมาในทันทีนั้นบุญคําใายไฟสองทางนำหน้าไปเออนี่น้งองแงซายได้คันธนูคืนมาหรือเปล่าเชิฐถาถามในขณะที่เกาะลายระพินกับชยันไห้คนละด้านเดินกระเลกไป ได้มาแล้วครับแล้วข่าวของสัมภาระของเราล่ะอยู่เรียบร้อยครบถ้วนดีทุกอย่างครับแล้วชั่วไม่นานนักโดยการช่วยกันประคองเชิดขาค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆต่างก็มาถึงบริเวณที่ตั้งแคมป์ซึ่งแบบนี้มีกองไฟลุกโชนทุกคนอิดโรยอ่อนเพลียและหิวโหยสะบักสะบอมหนักกันไปตามๆกันทั้งสิสองชีวิต ศัตรูที่สำคัญที่สุดยามนี้ก็คืออากาศอันแสนจะเยือกเย็นซึ่งหนักหน่วงทารุนกว่าทุกคืนที่ผ่านพบกันมาแล้วนับแต่เริ่มออกเดินทางต่างเข้ามหาห่อตัวเบียดกันล้อมวงผิงไอไฟจากนั้นก็งัดเอาสเสบียงออกมาย่างเพื่อรองท้องไปตามมีตามเกิดประทังชีวิตดารินสั่งให้พี่ชายของหลอ น, นอนพักทันทีและเปิดีบเครื่องเวชพั์ออกเพื่ อ, ย, อยาแต่พักพวกที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งก็ได้รับบาดแผลถึงเลือดกันหมดทุกคนอย่างเบาที่สุดก็ถูกกินบาดและรอยฟกช้ดำดําเขียวซึ่งภายหลังเหตุการณ์ตื่นเต้นได้ผ่านพ้นไปแล้วเช่นนี้ต่างก็เริ่มจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ได้รับกันทั่วทุกคนและคนที่มีแผลสุดมากที่สุดก็คือระพินไพรวันซึ่งได้รับการบรรเทาทั้งยากินยาทาและยาฉีดป้องกันบาดทะยักตัวแพทย์สาวนักมนุษยวิทยาเองขนาดบาดเจ็บน้อยที่สุด ก็ยังหัวเขาแตกเลือดไหลซิบซิบและช้ำดำเขียวไปแทบตลอดทั้งตัวอย่างไรก็ตามบุคคลที่ทุกคนห่วงกังวลที่สุดก็คือเชษฐาเพราะเกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางซึ่งมีกำหนดระยะเวลาอันจำกัดตายตัวตลอดจนภาวะฉุกเฉินที่แวดล้อมรอบตัวอยู่ในขณะ น, นี้ซึ่งทุกคนจะต้องอาศัยความคล่องตัวปราบเรียวและช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด คุณชายเป็นไงบ้างครับรพินแอบกระซิบถามหมอดารินขณะที่หลอนจิ้มเข็มฉีดยาบนแขนของเขาแพทย์สาวราชสกุลมีสีหน้าลำบากใจฉันก็ยังไม่แน่ใจนะระพินแต่หากฤดอย่างที่สงสัยไว้แต่แรกนะ่ะผ่านพ้นไปได้แล้วฉันสงสัยในด้านเส้นเอ็นประสาทและระบบกล้ามเนื้อมากกว่าจากบาดแผลชะกันที่พี่ใหญ่เคยได้รับตอนหินหล่นลงมาทับแท์จะต้องตัดขาทิ้งในครั้งนั้น ขาข้างนั้นของพี่ใหญ่สงสัยว่าจะไม่สมประกอบไปแล้วแหละในเวลาปกติมันก็ไม่แสดงอาการอะไรขึ้นหรอกแต่ถ้ากระทบกระแทกหรือออกกำลังแรงมันนักจะโน้มเอียงในด้า น, นการเป็นอัมาพาตอยู่เสมออย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งบางทีก็เกิดอาการตะคริวจับเคลื่อนไหวไม่ได้เฉยๆซึ่งก็น่าเป็นห่วงมากในการเดินทางกลากรัมเสี่ยงอันตรายของเราในครั้งนี้นี่ถ้ากลับไปถึงกรุงเทพเมื่อไหร่นะ ฉันคิดว่าเขาจะต้องทำศัลยกรรมผ่าตัดถ้าไม่เช่นนั้นขาข้างนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนไม่สมประกอบไปจนตลอดชีวิตฉะลักและพุ่งนี้คุณชายพอจะเดินทางได้ไหมล่ะครับเขาถามเบาที่สุดดารินเม้มริมฝีปากแน่นชำเลืองมองไปทางพี่ชายซึ่งแบบนี้นอนใกล้กองไฟสูบซิ ก, ก้าพูดจูกชายันมาเรียและงแงซายซึ่งล้อมวงอยู่ใกล้ หล่อนเข้าใจความหมายในคำถามของพรานใหญ่ดีที่สุดว่าเขาเป็นห่วงถึงเรื่องอะไรก็ยังไม่กล้ารับรองเหมือนกันนะดพิดก็ต้องดูอาการของเขาอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ฉันกุ้มใจฉันประโยคหลังของหล่อนพูดเสียงเครือสายหน้าไปมาอย่างอัดอั้นจอมพรานยิ้มให้อย่างปลอบใจตาเป็นประกายของเขาจับนิ่งอยู่ที่หล่อนแล้วโลบ ตกเบาๆบนหลังมือของหญิงสาวคุณหญิงครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณหญิงดีครับอย่าคิดอะไรให้มากเลยผมและพวกเราทุกคนก็จะไม่ยอมปล่อยปล ะ, ละทิ้งคุณชายเป็นอันขาดถึงไหนถึงกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ร่วมตายเคียงบ่าเคียงไหล่เช่นนี้แต่ผมสังเกตคุณชายกําลังใจดีเหลือเกินนะครับพี่ใหญ่นะเขากงเป็นคนนิสัยอย่างนี้แหละ เขาหนักแน่นมั่นคงมากนี่ฉันก็ให้ยานอนหลับเข้าไว้เลยนะเพื่อจะให้เขาได้พักผ่อนมากที่สุดแต่ตอนนีนะ้ยายังไม่ออกฤทธิ์และเขาก็ยังมีเรื่องตื่นเต้นที่จะวางแผนรับเหตุการณ์และพูดคุยกับพวกเราจรึงทนฝืนอยู่อีกสักประเดี๋ยว เ, เขาก็คงหลับแล้วก็จะหลับเป็นตายทีเดียวว่าแต่คุณหล่อนมองเขาด้วยสายตาละห้อยโศกซึงทาไมล่ะครับคุณหญิง คุณก็มัวแต่ห่วงคนโน้นพะวงคนนี้ยังกับว่าตัวเองน่ะเป็นมนุษย์เหล็กอย่างนั้นแหละรู้ตัวบ้างป่ะว่าตัวเองน่ะสะบักสะบอมเพียงไหนนอกจากพี่ใหญ่ที่ขาพิการแล้วก็มีคุณอีกคนหนึ่งอนะ่ะที่แยกก่าเพื่อนพา่านใหญ่จ้องประสานดวงตาต่อเชื่อมอันมองมาอย่างอาทรห่วงใหญ่นั้นด้วยความรู้สึกอันแช่มชื่นเป็มไปด้วรกำลังใจเต็มเปี่ยม ผมไม่ใช่มนุษย์เหล็กไหลอะไรหรอกครับคุณหญิงแต่ชีวิตของผมนะมันเคยชินซะแล้วสำหรับความบอบช้ำสะบักสะบอมไม่ว่าในด้านร่างกายหรือหัวใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอื่นอาจจะเห็นว่าหนักหนาสำหรับผมก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาปลิกย่อยที่สุดกราบใดที่ยั ง, งโงหัวขึ้นมาทรงกายได้ผมก็ถือว่าปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างพร้อมที่จะผจญต่อไปได้เสมอแล้วครับดารินยิ้มเศร้าๆบีบแขนเขา ระพินคุณคนเดียวเท่านั้นนะที่เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แกคณะพวกเราทุกคนในการเดินทางเสี่ยงตายครั้งนี้ถ้าพวกเราไม่ได้พรานนำทางที่มีบุคลิกและฝีมือตลอดจนน้ำใจอย่างคุณป่านนี้ฉันว่าการเดินทางคงล้มเหลวลงระหว่างทางสนานนะละ่ะลำฟังฉันเองนะขอบอกตามตรงนะว่าคิดท้อแท้ทอดอะไรอยู่หลายครั้งนายจ้างอย่าคิดท้อแท้ทอดอะไรสิครับ ลูกจ้างซึ่งทํางานตามหน้าที่ยังไม่คิดที่จะถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวเลยเราผ่านพจน์ฟันฝ่ากันมามากแล้วนะครับลูกจ้างคนนี้ยังคิดว่าไหวเสมอจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายแห่งลมหายใจก็ทําไมนายจ้างถึงจะคิดว่าไม่ไหวซะแล้วล่ะครับราชสกุลสาวก้มหน้าถอนใจอีกครั้งนี่มาคิดดูเดี๋ยวนี้นะ พวกเราจ้างคุณมาด้วยราคาถูกเหลือเกินให้อีกสักสิบเท่าของราคาค่าจ้างที่เราตกลงกับคุณไปแล้วฉันว่ามันก็ยังไม่คุ้มค่ากับน้ําใจของพรนรพินนะแต่ก็คุ้มค่าหรือเกินค่าไปสักอีกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตอันมีราคาสูงของฝ่ายนายจ้างของผมที่นําเข้ามาร่วมด้วยเช่นนี้ผมว่าถ้าจะตีราคากันเป็นเงินแล้วน่ะ ชีวิตอย่างพรานรพินไม่มีราคาค่า ง, งวดอะไรมากมายนักหรอกครับแต่ชีวิตอย่างคุณหญิงดารินคุณชายเชิฐาและคุณชายยันแพงมากนะครับน่ะคุณชายเรียกมาแล้วเราเข้าไปร่วมวงด้วยเถอะครับรู้สึกว่าคุณชายมีเรื่องที่จะประชุมหาเรืออะไรกับพวกเราพร้อมหน้าทั้งสองยุติการสนทนาโต้ตอบในสภาพสองต่อสองนั้นลุกขึ้นเดินเข้าไปร่วมวงกับเชิฐาซึ่งบัดนี้คณะทั้งหมด ล้อมวงประชุมกันอยู่พร้อมนะเชิดขาครึ่งนั่งครึ่งนอนหลังพิงกองสัมภาระเหยียดขาทั้งสองยื่นยาวออกไปตรงหน้าเมื่อเห็นระพินตรงเข้ามาก็ถามว่างผู้ ก, กองเห็นน้อยบอกว่าคุณนก็เจ็บไม่น้อยเหมือนกันนี่ยังผ่าวหครับคุณชายอย่ะ ก, กังวลเลยครับไอ้ยักษ์นะ่ะมันเจ็บไปแล้วผมก็เชื่อเหมือนกันนะว่าอย่างน้อยตลอดทั้งคืนนี้ มันคงไม่ย้อนกลับมากวนเราอีกและพรุ่งนี้ผมก็เชื่อเหมือนกันว่าผมคงจะมีอาการดีขึ้นและออกเดินทางได้แม้จะเดินไม่คล่องหรือถนัดนักก็ตามเราก็จะออกเดินทางต่อตามแผนเดิมของเราโดยปกติพรานใหญ่อึง้งและทุกคนก็เงียบกันไปชั่วขณะในที่สุดชัยยันก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่านี่เชษฐา ฉันว่าแกอย่าเพิ่งห่วงถึงเรื่องการเดินทางนักเลยอะไรมันก็ไม่สำคัญเท่ากับสภาพของแกตอนนี้อ่ะนะไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าที่เราทุกคนจะต้องไปถึงเนินพระจันทร์ตามกำหนดเวลาอันจำกัดซึ่งรู้กันดีอยู่แล้วหรอกชยันเชืฐอถาขัดขึ้นโดยเร็วโดยเสียงห้าวกังวานเต็มบริปนิทานยึดมั่นและกำลังใจอันแน่วแน่ที่สุดใช่ค่ะนั่นคือความหวังของพวกเรา มารียพูดเบาๆหล่อนเองก็มีความกังวลไม่น้อยไปกว่าใครทุกคนเกี่ยวกับเรื่องขาของท่านหัวหน้าคณะแต่สิ่งที่เราหวังไว้นั้นยังเป็นเรื่องรองลงไปนะถ้าพี่ใหญ่ยังไม่สามารถจะเดินได้เราก็จําเป็นจะต้องพักหรือประวิงเวลาไว้ก่อนนี่คือความจริงที่เราหนีไม่พ้นท่านหัวหน้าคณะสั่นศีรษะอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ละ จะไม่มีการประวิงเวลาหรือยืดระยะออกไปเป็นอันขาดถึงยงไงพรุ่งนี้ฉันก็จะต้องเดินไปให้ได้ถึงเดินไม่ได้ก็ต้องคลานไปแต่เราจะต้องไปถึงตำแหน่งที่หมายนั้นในเวลาโดยไม่มีการล่าช้าหรือสายไปคนเราเน่อะไรก็ไม่สำคัญถ้าเจตนาและพลังใจฉันจะไม่ยอมให้ตัวฉันเป็นอุปสรรคถ่วงการเดินทางครั้งนี้โดยเด็ดขาดและเมื่อลงว่าปักใจมั่นคงพรุ่งนี้ฉันจะต้องเดินได้ มันก็ต้องได้ถึงเดี๋ยวนี้ฉันก็รู้สึกค่อยยังชั่วมากแล้วไม่หนักหนาเหมือนเช่นที่ทุกคนเป็นห่วงอยู่ขนาดนี้หรอก น้องสาวซ่อนริ้วรอยแห่งความกลับกลุ้มกังวลทั้งมวลไว้เข้ามาประคองพี่ชายให้นอนราบลงบนพื้นเอาย่ามหลังแทนหมอนหนุนศีรษะและคลี่ผ้าคมออกคลุมให้จนถึงหน้าอกก้มลงจุบเบาๆที่แก้มอันซีดคล้ำนั้นพี่ใหญ่คะเราจะเพิ่งกังวลถึงเรื่องอื่นใดเลยคะ่ะนอนพักผ่อนดีกว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะบางทีถ้าโชคเข้าข้างเราพี่ใหญ่อาจเดินทางได้ ตอนนเชื่อน้อยก่อ น, นะคะ่ะนอนซะก่อนนะคะครั้นแล้วไม่นานนักเชิดเท้าวราริสก็พลอยหลับไปด้วยความอ่อนเราหโหยรุยแรงผสมกับฤกษานอนหลับที่หมอดารินให้ไว้ชยันเอื้อมมือไปจับตัวเพื่อนรักของเขาอย่างแผ่วเบาพร้อมกับโครงศีรษะด้วยความสงสารไม่มีใครเอ่ยคําใดขึ้นในขณะนั้นนอกจากมองจับไปยังร่างอันนอนหลับนิ่งเป็นตาย ของท่านหัวหน้าคณะด้วยความรู้สึกอันบอกไม่ถูกต่างรักเคารพและนับถือน้ำใจอันกล้าหาญมั่นคงแน่วแน่ของอดีตท่านทูตทาหารบกกันทุกคนแม้แต่ระพินไพรวันเองก็ยอมรับว่าสุภาพบุรุษชาติอาชาในผู้นี้เหมาะสมแล้วที่จะเป็นหัวหน้าและผู้นำคนทั้งหลายในภาวะอันเป็นวิกฤตการน่าสิวหน้าขวานเช่นนี้เพราะนอกจากความสุ ข, ขุมรอบคอบ อบอ้อมอารีต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วเขายังทรหดบึกบุนออก่อไปได้วยขวัญและกำลังใจดีเยียมยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนไอไฟจากในกองที่ก่อไวช่วยมนุษย์กลุ่มนี้ไว้อย่างมาหันท่ามกลางอุณหภูมิของราตรีที่ลงเกือบถึงจุดน้ำแข็งเช่นนี้ทุกคนเดาเหตุการณ์ไม่ถูกเหมือนกันว่าชีวิตจะรอดพ้นผ่านกลางคืนอันแสนทารณนี้ไปได้ จนถึงตะวันขึ้นอีกครั้งหรือไม่ถ้าหากปราศจากฟืนสุ่มไฟชายันสั่งให้ทุกคนแม้แต่พวกรานพื้นเมืองเข้ามาชุมนุมเบียดเสียดกันอยู่ในผืนผ้าใบปูผืนเดียวกันหมดในลักษณะนอนสุ่มกันเป็นหมู่ผ้าใบอีกผืนหนึ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นหลังคามงกันน้ำค้างบัดนี้ใช้ขึงเป็นม่านจากช่องหินเตียเต้ยๆคลุมครอมกองไฟที่ก่อไว้ลงไปยังพื้นอีกด้านหนึ่งเพื่อบังไอไฟ ไม่ให้กระจายแผ่ไปที่อื่นนอกจากอบเข้าหาซอกโพรงแคบๆที่เข้าไปชุมนุมห่อตัวเบียดกันอยู่ด้านเดียวเท่าๆกับเป็นการป้องกันลมหนาวไม่ให้พัดกันโชคเข้ามาด้วยต่างอื่นอัดทรมานด้วยควันไฟและสำลักกันอยู่บ่อยๆแต่ก็ยังดีกว่าที่คนใดคนหนึ่งจะแข็งตายเพราะความเย็นอุย้ยนรกตกเปตอะไรนี่ก็ไม่รู้ถึงคราวร้อนก็ร้อนแทบจะสุกเป็นหมูย่าง ถึงกลาวเย็นก็เย็นยังก็อยู่ในตู้น้ำแข็งอเกิดมาไอคำไม่เคยพบศีนตาเท่าบนเงินงาออกมาจากคางอันสันกระทบกรามของแก่ขณะที่เอากระสอบปานคลุมหัวนั่งสันงักๆเบียดอยู่ในกลุ่มของเกิดจันเสยและสางปาเหมือนลูกนกอย่าบนไปเลยนะาตาคำชีวิตคนเราจะให้มีรสชาติสมบูรณ์มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ เราต้องผ่านพบความสุดยอดให้ทุกชนิดไม่ว่าความสุขหรือความทุกษยันบอกมาจิมจิมทุกสุดยอดนะไอคำเคาผ่านมาแล้วล่ะนายทหารผ่านอยู่บ่อ ย, อยๆซะด้วยแต่ไอที่ว่าสุขสุดยอดนะ่ะไม่เคยเจอสักกะทีอา้าทำไมจะไม่เคยเจอเสียงว่าอยู่น้องน้ำแห่งนะ่ะไดเมียสาวๆคราวเดียวกันต่งสามสี่คน นอนมุ้งเดียวกันก็ยังเคยนั่นยังไม่ใช่ความสุขสุดยอดอีกเหรอตาเท่าประหลับประเหลือกอ้อแมแอ้มาวะพูดจะพันยางงี้แหละนายทหารเมียสารสี่คนน่ะนอนมุ้งเดียวกันมันตีกันทั้งคืนไอ้คำได้นอนจะเมื่อไหร่เล่าแล้วแกก็เอื้อมมืออันซีดคล้ำราวกะสุบพลูกออกมาจากโปงคลุมบรญจงซุนเศษไม้ที่ถากไว้เข้าไปเติมเชื้อไฟ พลงหันมาทางดารินผู้นั่งมือรอยอยู่บุญคำน่ะเป็นห่วงนายหญิงบุญคำน่ะเป็นห่วงนายใหญ่จริงๆนะนายหญิงราชสกุลสาวยิ้มเศร้าๆทุกคนก็ห่วงเหมือนกันนั่นแหละบุญคำและฉันขอขอบใจพวกเราทุกคนนะขอบใจจากใจจริงเชละการเดินทางร่วมกันในครั้งนี้ทำให้ฉันเห็นจิตใจของพวกเราทุกคนโดยทังแท้ที่สุดทุกคนล้วนมีสมรรถภาพ สื่อสัตว์สุจริตแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมตายซึ่งคงจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าต่อไปข้างหน้าชีวิตเราจะรอดปลอดภัยกลับไปได้และแยกย้ายกันไปอยู่สารทิศใดฉันจะไม่ลืมเหตุการณ์ที่เราเคยร่วมชีวิตกันในครั้งนี้จนตายใช่ะหผวกของบุญคำรวมทั้งนายนี่ด้วยปาเท่าพูดเบาๆบุยปากไปทางระพินไพรวันเป็นพรานปา ชีวิตยากแค้นลำเค็นเราไม่มีอะไรเหมือนอย่างชาวเมืองผู้มั่งมีสีสุขเขามีกันแต่เราก็มีอยู่สิ่งหนึ่งคือความสุจริตใจจริงถ้าจะมอบอะไรให้แก่ใครเราก็มอบให้หมดทั้งชีวิตจิตใจและหลงได้รักนับถือใครแล้วชีวิตก็สละให้ได้ครับนายจริงดารินวราฤทธิ์สูดลมหายใจลึก ค่อยๆเบือนหน้าไปมองทางหัวหน้าของคนเหล่านั้นผู้ซึ่งบัตนี้ก็นั่งเข้าพะวงอยู่เช่นกันและเหมือนสายตาจะมีกระแสะแม่เหล็กดวงตาคู่นั้นถูกดึงให้เบนมาสบโดยบังเอิญและถูกอำนาจจิตของอีกฝ่ายหนึ่งสะกดให้มองตาด้วยอยู่เช่นนั้นราชาสกุลสาวตอบคำบุญคำแต่ตายังมองอยู่ที่พรานใหญ่น้ำเสียงของหล่อนแม้จะเบาก็จริแต่แจ่มใส มีกังวาลชัดเจนยิง่งฉันเข้าใจดีบุญคำเข้าใจและซึ้งใจก่อนที่บุญคำจะบอกซะอีกตาคู่นั้นหลบสายตาของหล่อนไปอย่างสงบเสงี่ยมเจียมใจถอดลงมองเปลวไฟที่แลบเลี้ยอยู่ในกองเริ่มรู้สึกมึนงงง่วงเหงาผิดปกติในท่าที่นั่งกอดเข่าจับเจ้าอยู่ริมกองไฟนั้นมารู้สึกตัวอีกครั้งใครคนหนึ่งร้องเสียงลั่น พร้อมกับกระชากไหลเขาให้เงยหน้าจินสํานึกได้ว่าหน้าของตนเกือบจะ ง, ง่วงมุกเข้าไปในกองไฟดีแต่ถูกคว้าไลหลไว้ได้ทันและคนที่ถูกกระชากไว้ก็คือชายันผู้กองคุณคงอ่อนเพลียมากนี่นั่งหลับหูจะทิ่มเข้าไปในกองไฟอาลงนอนเถอะรพินลืมตาโพลงขึ้นเหลียวมองไปรอบๆกายทุกคนยังตื่นอยู่และมองจับมาที่เขาเป็นตาเดียว ด้วยแววกังวลยกเว้นดาริมคนเดียวที่ยิ้มให้แล้วบอกมาอีกคนหนึ่งว่านอนได้แล้วล่ะนายพรานคุณนไม่ต้องห่วงอะไรหรอกฉันชัยันแล้วก็เมจะจัดเวรยามเองระพินรู้สึกเปลือกตาหนักผิดปกติสะบัดหน้าแรงๆผมสงสัยใชและ้วเขาพูดพื่มพำพยายามจ้องหน้าหมอดาริน ผู้ส่งดวงตาหวานรื่นมาพลางหัวเราะออกมาอย่างฝืนฝืนสงสัยอะไรจ๊ะเจ้าของดวงตาคู่นั้นถามคุณหญิงยานอนหลับผมเข้าด้วยหรือเปล่านี่หมอดาริมกลับยิ้มอยู่ในทีและตอบไม่ตรงคำถามว่าคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฉันต้องการให้พักผ่อนมากที่สุดโดยความเห็นทางแพทย์อย่าฝืนเลยระพินพักเถอะแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรด้วย คุณบอบช้าสะบักสะบอมพอๆพกับพี่ใหญ่นั่นแหละพรานใหญ่มีอาการตกใจไม่เหมาะเลยนะครับที่คุณหญิงจะวางยานอนหลับให้ผมโดยที่ผมไม่รู้ตัวและในภาวะฉุกเฉินเตรียมพร้อมเช่นนี้ผมสงสัยแต่แรกแล้วสิว่าทำไมผมถึงมึนงงง่วงเหงาผิดปกติแบบนี้ชยันตกที่ไหล่เขาหนักหน่วงบอกว่าแต่ผมเห็นว่าน้อยทาถูกแล้วนะผู้กอง อย่างน้อยที่สุดก็ถูกในความเห็นทางแพทย์ของเขาคุณควรจะพักผ่อนระพินอย่างน้อยที่สุดบาดแผลเหล่านั้นจะได้บรรเทาอาการอักเสบลงไปบ้างและเอากำลังไว้พรุ่งนี้ทำไมกลเกิดเหตุอะไรขึ้นมาละ่ะกลจะลุกวิ่วงหนีไม่ทันน่ไงคนแอบเอายานอนหลับให้กินโดยไม่เปิดโอกาสให้รู้ตัวถามด้วยอาการยาวๆมาพรนใหญ่ถอนใจขือกฝืนหัวรอกกร่อย ยกมือทั้งสองขึ้นขยี้ตาลําพังตัวผมเองอ่ะลุกขึ้นวิ่งหนีไม่ทันน่ะไม่กระไรหรอกครับคุณหญิงเพราะชีวิตของผมบอกแล้วว่าไม่มีราคาข้างวดอะไรมากนักตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ชีวิตของเจ้านายของผมทุกคนน่ะมีค่าและผมเองก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตเหล่านั้นเมื่อคุณหญิงมาสะกดให้ผมต้องหลับท่าทิ้งหน้าที่ไปเซเช่นนี้แล้วเกิดอันตรายมาถึง ผมจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับคุณชายก็หลับเป็นตายไปคนคนึงแล้วนี่ผมจะถูกบังคับให้ต้องหลับยังไม่รู้สึกตัวไปอีกคนหรอครับสำหรับคุณชายก็เว้นไปซะเถอะเพราะถึงยังไงก็มีสภาพเป็นคนป่วยไปแล้วแต่สำหรับผมมันไม่ได้หนักหนาถึงเพียงนั้นนี่ผมต้องการรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมในทันทีตามธรรมชาตินิสัยของผมแต่นี่คุณหญิงเล่นวางยาผมเห็นจะลืมตาไม่ขึ้นแนะ่ น่าขอยมั่นใจเธอว่าถ้าภัยอันตรายมีมาในคืนนี้ซ้ําอีก น, นพวกเราจะรับหน้าและแก้ไขเองและถ้าจะถึงชีวิตก็จงมั่นใจด้วยว่าจะมาถึงพวกเราก่อนคุณฉันชยันเมและไม่ว่าใครทั้งสิ้นในคณะของเรานี่จะไม่ทอดทิ้งคุณหรือพี่ใหญ่หรอกและถึงแม้ว่าจะดับเครื่องคุณไปสักคนหนึ่งในคืนนี้ก็อย่านึกกลัวพวกเราที่เหลือจะทําอะไรกันไม่ได้สิ แพาะตะคิดชันนี้ก็เป็นการดูหมิ่นกันเกินไปดารินพูดหางเสียงแข็งขึ้น่านใหญ่ไม่กล่าวคำใดอีกเลิกผ้าใบที่กั้นเป็นกระโจมบางกองไฟอยู่ให้พเพรยอะขึ้นเพื่อปล่อยควันอันเริ่มจะอบอวนหนาทึบอยู่ภายในให้ระบายออกไปซะบ้างและฉวยไฟฉายกระไรเฟิ้นประจำตัวขยับจะผลักออกไปข้างนอกแต่น้องสาวของนายจ้างรองทักมาทันควันว่า นั่นๆแล้วจะออกไปไหนอีกเล่าก็ไม่ไปไหนไกลหรอกครับแค่นอกกระโจมนี้เองพอ ห, หายใจได้สะดวกสักนิดประเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามานอนตามบัญชาของคุณหญิงและจะนอนให้หลับสบายเป็นตายไปจนรุ่งเชา้าทีเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับกล่าวจบเขาก็พลุบออกไปดารินมองตามรอยผ่าของกระโจมที่เผย อ, ออกเป็นช่องนั้นแล้วสะกิดแขนแงซ า, าย โดยไม่ออกคำสั่งหรือพูดคำใดทั้งสิ้นแต่บุยปากเป็นสัญญาณให้ติดตามพรานใหญ่ออกไปเบื้องนอกด้วยไงายสายก็คลานมุดลอดกระจมออกไปตามบงการนั้นเงียบเงียบมารีฮอปมั่นนั่งเอามืออังไฟมานาบกับผิวหน้าและลำคอโดยไม่พูดจาคำใดกับใครอยู่เป็นเวลานานซึ่งก็ประกอบกับ บ, บุคคลเหล่านั้นใช้ภาษาไทยโต้ตอบกันและหล่อนก็ฟังไม่รู้เรื่อง กรับพินคลุบออกนอกกระโจมไปก็ถามว่าว่าไงน้อยไพวันเขามีปัญหาเรื่องอะไรเหรอเขาไม่พอใจเมื่อรู้ว่าฉันเอายานอนหลับให้เขากินเพื่อนสาวตอบอดีตัญญยาไม่ของด็อเตอร์ฮอปมันอ้าปากหาวบิดกายจนกระดูกลั่นแล้วพูดออกมาตรงๆตามนิสัยของหล่อนว่าฉันรู้นะว่าเธอเป็นห่วงเขามากแต่เธอก็ทาถูกแล้วล่ะเมแอนน้อย ใครวันนะควพักโดยไม่มีอะไรรบกวนหรือมีกังวลเลยตลอดทั้งคืนนี้ฉันรู้สึกว่าเขาได้รับบาดเจ็บมากพวกเราก็เหมือนกันคนงีบเอาแรงได้แล้วละ่ะฉันกล้ารับรองเอาหัวเป็นประกันว่าคืนนี้จะไม่เกิดอะไรขึ้นอีกทั้งสิ้นนอกจากความหนาวอันทารุณ น, นี่เท่านั้นกล่าวจบหล่อนก็ขดตัวลงนอนอย่างง่ายง่ายเบียดติดจุกระสางปาคนของหล่อนซึ่งกลนครอบไปก่อนแล้ว ระพินก้าวออกมาสูดอากาศอันแสนหนาวเย็นและชื้นไปด้วยละอองหมอกเบื้องนอกสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดเพื่อขจัดความง่วงรู้สึกว่าตาสว่างขึ้นเล็กน้อยเมื่อออกมาเผชิญกับความเย็นจัดเช่นนั้นเขาเดินห่างซุ้มกระโจมที่พักออกมาเล็กน้อยหยุดยืนอยู่ริมขอบไหล่ก่อนที่จะลงสู่ทางลาดซึ่งปีนป่ายกันขึ้นมาพักและฉายไฟไปรอ บ, รอบ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอาการสงบเงียบปราศจากวิแววใดๆทั้งสิ้นนำคางหรือมิะนั้นก็ละอองหมอกอันเย็นจัดกลั่นตัวจับอยู่ตามโขดหินทั่วไปเป็นเกร็ดน้ำแข็งวาววามสะท้อนแสงไฟเป็นประกายสะพร่างพราวราวกับเพชรกระแสลมพัดเยือกอยู่ตลอดเวลามาจากทิศเหนือกระทบแง่หินรอบด้านคางอยู่หวีดหวือ ก็รู้สึกถึงฝีเท้าเบาๆที่เดินตามเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหลังเมื่อเหลียวกลับมาก็พบร่างกลางงานของเจ้าคู่ปรับยืนสงบนิ่งอยู่ก่อนแล้วพร้อมกับรอยยิ้มต่างคนต่างยืนมองกันนิ่งอยู่ครู่หนึ่งกระตามเฉินหมังทำไมแง่ใสในที่สุดเขาทําลายสภาพอันเงียบงันด้วยคําถามคำสั่งจากนายหญิงครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า จะให้ผมต้องตามผู้กองออกมาด้วยทาไมแต่ผู้กองน่าจะเข้าใจได้ดีกว่าผมนะครับคำตอบอันเฉียบคมไปด้วยความหมายซึ่งจะปรากฏเช่นนี้ทุกครั้งยามแม่เจ้าคนดงลึกลับเผชิญหน้ากับเขาตามลำพังสองต่อสองปราศจากหูอื่นที่จะมาได้ยินร่วมด้วยกลับเข้าไปและพักจ้ะไม่ต้องมาตามคอยดูแลหรือเป็นเพื่อนอหรอกนายทายผู้กองครับ จะเป็นการบังอาจเกินไปหรือไม่ล่ะครับถ้าหากผมจะพูดว่าผมก็มีสิทธิ์ที่จะห่วงใยผู้กองได้ไม่น้อยไปกว่าใครอื่นเหมือนกันนะครับระพิงนิ่งไม่ตอบว่าอะไรนอกจากพยักหน้าและตกหนักๆมาที่แผงไหลอันกว้างใหญ่แข็งแรงนั้นเสียงลึกมีกัางวานแจ่มใสของเจ้าคนพนเจนจรดังมาอีกว่าผมลึกไม่ถึงจริงๆนะครับว่า วันนี้ผมจะต้องตกเป็นหนี้ชีวิตของผู้กองเขาอีกถ้าไม่มีผู้กองรพินในวันนี้ก็จะไม่มีชีวิตของแง่ทายอีกต่อไปพรานใหญ่ยิ้มกล้ากลาดควักกล่นซิก้าออกมาจุดสูดพูดเนื้อว่าก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่แกจะต้องมาขอบอกขอบใจฉันหรอกฉันช่วยแกไปอย่างไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นแหละทำลงไปด้วยสัญชาตญาณใช่มากกว่าที่จะมีเจตนาใดๆ ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแกที่อยู่ในภาวะขับขันเช่นนั้นหรอกทุกคนในคณะของเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากฉันทุกคนเสมอกันหมดพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ถ้าวันต่อไปมีสำหรับเราชีวิตของฉันก็อาจตกเป็นหนี้แกบ้างและฉันก็จะไม่ขอบใจแกเหมือนกันเงายายยิ้มแม้จะยืนอยู่ในเงามืดปรากฏการของธรรมชาติในราตรีก็ยังพอจะส่องให้เห็นเท้าหน้ารูปสวยนั้น สว่างเรืองรองเด่นชัดขึ้นอย่างประหลาดแววตาทั้งคู่เป็นประกายคมสกาวผู้กองยังจะต้องช่วยผมอีกต่อไปและผมก็ต้องการความช่วยเหลือจากผู้กองด้วยครับหมายความว่ายังไงไงใส่คิ้วของรพินย่นเข้าหากันขณะเหลือบจ้องหน้าเอาเป็นว่าเมื่อถึงเวลาผู้กองจะทราบว่าผมหมายความว่ายังไงครับ เอาละฉันจะกลับเข้านอนละเขาเปล่าวโดยละความสนใจต่อคําพูดนั้นเป็นปริศนาของแง่ทรายซะแล้วก็อย่างที่แกรู้อ่ะนายหญิงให้ยานอนหลับแกชั้นคืนนี้ชันก็คงหลับสนิทแล้วก็ตื่นยากหน่อยละเอาเป็นว่าขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในความดูแลของแกด้วยนะแง่ทรา ย, ายจอมพเนจรก้มศีรษะให้อย่างอ่อนน้อม ไม่ต้องห่วงครับเป็นภาระของผมเองขอผู้กองหลับให้สบายเถอะครับแล้พินกลับเข้าไปในกระโจมอีกครั้งกันชับสั่งความกระ บ, บุนคำและจันจนเป็นที่วางใจแล้วก็เอนตัวลงนอนเบียดงอกองอขิงอยู่ในกลุ่มพรานพื้นเมืองของเขาดารินคอยสังเกตดูอยู่ทุกขณะก่อนแล้วพอเห็นแฟนใหญ่กลับเข้ามานอนเรียบร้อยก็เบาใจลง ซุกกายเข้าไปในโรงคลุมของแบลงเก็ตนอนเบียดกับพี่ชายและไม่นานหล่อนก็หลับไปอีกคนจึงเหลือแต่เพียงช ย, ยันกระบุคนคำเท่านั้นที่นั่งคุยกันอยู่เบาๆโดยแพรนเท่ามีหน้าที่อยู่ยามคอยสุมกองไฟในช่วงแรกต่อมาแง่ทายก็ลอดประโจมกลับเข้ามาร่วมวงด้วยอีกคนหนึ่งเวลาล่วงผ่านไปตามลาดับ ความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียที่กรากรมหนักกันมาทั้งวันทำให้นิทรารมคืบคลานเข้ามาสะกดเสียงพูดคุยเว้นห่างออกไปทุกทีจนกระทั่งในที่สุดก็กลายเป็นความเงียบได้ยินแต่เสียงไฟกินไม้อยู่ในกองและเสียงลมลูบ ล, ลมแก่งหินเบื้องนอกเท่านั้นบุญคำนั่งเอาผ้าคลุมหัวสปงกเฝ้าอยู่หน้ากองไฟในความมืดมน ภายใต้โปงผ้าคลุมอันระเกะระกะสับสนนอนสุมกันอยู่แทบจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครในขณะนี้นั้นชั ย, ยังกำหนดหมายตาไว้อย่างแม่นยำแล้วว่ามาเรียนนอนอยู่ทางด้านไหนเพราะฉะนั้นในการมุดเข้าไปในโปงเดียวเขากงสามารถงมพบนักโบราณชีวศาสตร์สาวเลือดเยอรมันผสมฝรั่งเศสได้ไม่ยากนกะขณะนั้นหลอนนอนระแคงงอตัวหันหลังให้ ชายันเบียดชิดเข้าไปทอดแขนโอบกอดไว้แน่นกระชับมาริาอาตกลับไม่สนิทนักสัมผัสได้กับสิ่งอันผิดปกตินั้นสะดุ้งตกใจตะครุบมือของเขาที่กำลังควานหาที่ซุกเพื่อแสวงหาไออุ่นไว้แน่นแล้วค่อยๆะงกศีรษะแย้มเปลือกตาขึ้นดูพอเห็นว่าเป็นชยันก็ถอนใจเบาๆสงบนิ่งลงตามเดิมแต่ยังจับมือเขายึดไวเช่นนั้น ไม่ให้ความค้นผ่านเสื้อแจ็กเก็ตหนังเข้าไปได้หนาวไหมไมยชยันกระซิบเบาที่สุดตรงช่องหูถึงจะหนาวสักเพียงไหนก็ไม่ถึงกระจำเป็นให้ใครมานอนกอดโรเตชัยยันตอนนี้เราไม่ได้อยู่ตามลำพังนะนาไม่ไม่มีใครก็สนใจเราหรอกขอกอดให้อุ่นหน่อยเท่านั้นไม่งั้นนอนไม่หลับ หลอนถอนใจอีกครั้งเอาก็เฉยเฉนะอยาทำอะไรยุกจิกไปน้ำขาดนะรับรองรับพินไพรวันดูเหมือนจะเป็นคนหลังสุดที่ตื่นขึ้นมาด้วยอาการงวงเงียใครคนหนึ่งในบรรดาแพานพื้นเมืองของเขาเป็นผู้ปลุกขึ้นมาขณะนั้นเป็นเวลาแปดนาฬิกาเศษแต่ฟ้ายังขมุก ข, ขมัวและหมอกยังคงกระจายปกคลุมอยู่ทั่วไป ภายหลังจากลุกขึ้นมานั่งเอามือกุมขมับตั้งสติอารมณ์ปลุกประสาทอยู่ครู่หนึ่งพอสะบัดหน้าลืมตาขึ้นอีกครั้งก็เลยเห็นน้องสาวคนสวยของนายจ้างปรากฏตัวยืนยิ้มแจ่มใสยอยู่ตรงหน้าอารุณสวัสดิ์ค่ะนายพรานสำเนียงเสียงทักอันสดใสกังวานหวานนั้นดูจะแผดผิดไปกับทุกครั้งแสดงถึงอารมณ์อันระรื่นของเจ้าของเสียงเขาเหลียวมองไปรอบๆตัว กองสัมภาระและบรรดาผ้าห่มที่ทางคณะใช้คลุมตัวเมื่อคืนยังกองอยู่ระเกะระกะเต็มที่พักแต่ผ้าที่ขึงเป็นกระโจมกัน้นแบบนี้ถูกปลดออกแล้วและทุกคนก็ตื่นกันขึ้นหมดเดินเกะกะกันอยู่เต็มลานเบนสายตากลับมายัางใบหน้าอันยิ้มละไมนั้นอีกครั้งชีวีสวัสดิ์ครับคุณหญิงนี่แปลกนี่ไม่เคยได้ยินชีวีสวัสดิ์แปลว่าอะไร ก็แปลว่าสวัสดีให้แกชีวิตของเราที่ผ่านพ้นราตรีที่แล้วมาได้นะสิครับดารินหัวเราะอาการของหล่อนเต็มไปด้วยความกระปรี้กระเปร่าสดชื่นเป็นไงหลับสบายดีไหมเมื่อคือนเนี้ยไม่รู้สึกตัวเลยครับถึงตื่นมาเดี๋ยวนี้ก็ยังงง ง, งอยู่ว่าแต่คุณชายล่ะครับเป็นยังไงบ้างพร้อมกับพูดจอมพรานกวาดสายตาค้นหาไปรอบๆ ข่าวดีที่ไม่น่าเชื่อนะระพินอะไรเหรอครับก็เกิดปาฏิหารที่คิดไปไม่ถึงนะ่ะสิพี่ใหญ่ของเราเดินได้แล้วแม้จะไม่คล่องแคล่วปกตินะ ก, ก็ตามพรานใหญ่ลืมตากว้างความง่วงเงียของเขาแกิจะหายเป็นปิทิ้งฮะจริงเหรอครับเขาร้องเร็วปรือราชาสกุลสาวชี้มือเขาหันไปดูเมื่อแลตามชี้บอกนั้นรพินจ้องตาขมิง บนลานหินริมทางขึ้นลงร่างอันสูงใหญ่ของท่านหัวหน้าคณะกำลังซ้อมเดินช้าๆกลับไปกลับมาอยู่ในระหว่างแนวของไหลเนินโดยใช้ไม้คานหาบของแทนไม้เท้าพยุงตัวมีขยินและแง่ทรา ย, ายคอยเดินตามเป็นพี่เลี้ยงอยู่ชายันมารีอาและพวกพรานอื่นๆกำลังยืนเรียงรายคอยจับตาดูอยู่อย่างสนใจคนเหล่านั้นส่งเสียงพูดคุยสนทนากันอยู่ ลักษณะของเชษฐาดูดีขึ้นมากไม่กระปรกกระเปรียเหมือนเมื่อคืนอึดใจต่อมาราชสกุลหนุ่มใหญ่ผู้ไม่สมประกอบก็โยนไม้ยันนั้นทิง้งพยุงตัวเองโดยอิสระถ้าไม่สังเกตให้ดีแทบจะไม่รู้เลยว่าขาข้างอันเป็นจุดอ่อนของเขาทำพิษอะไรไว้เพียงแต่กระเพลิกเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าตัวหัวเราะร่าสแสดงท่าดีอกดีใจตะโกนบอกความกระชยันและมาเรียลั่นไปหมด ถึงสมรรถภาพของตัวเองแลพินตาเป็นประกายในขณะที่จ้องภาพนั้นรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากหันกลับมาจ้องหญิงสาวอีกครั้งปาฏิหาริย์จริงๆนะครับคุณหญิงมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยผมดีใจเหลือเกินดารินหัวเระาะใสกังวลจับแขนเขาไว้อย่างสนิทสนมความประโมยยินดีฉายเห็นชัดในผิวหน้าและแววตา เป็นไปได้ศิระพินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้นะ่ะมีจริงเมื่อคืนนี้นะ่ะฉันสวดมนต์ภาวนาทั้งคืนตลอดจนบนบานเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายด้วยขอให้พี่ใหญ่มีอาการดีขึ้นในเช้าวันนี้แล้วมันก็เป็นความจริงขึ้นมาได้แต่อะไรก็ไม่สําคัญเถ้ากับอํานาจจิตใจอันเข้มแข็งของพี่ใหญ่เองเมื่อเขาตั้งปณิธานไว้ว่าเขาจะต้องไม่เป็นอะไรเขาก็ไม่เป็นอะไรจริงๆและนี่พวกเราทุกคนตื่นกันนานแนละ้วหรือครับ ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าที่คุณจะตื่นขึ้นมาฉันสั่งพวกนั้นไว้เองล่ะไม่ให้ปลุกคุณเพราะถึงยังไงเราก็คงจะยังไม่เคลื่อนย้ายในตอนเช้าตรู่ก็เลยอยากจะปล่อยให้คุณพักเต็มที่พี่ใหญ่สิดูเหมือนจะตื่นเป็นคนแรกพอตื่นเขาก็ซ้อมออกกำลังเดินทันทีฉันแทบไม่เชื่อสายตาเชนรพินเมื่อมองไปเห็นในครั้งแรกคุณล่ะปกติเรียบร้อยดีไมสาหรับวันใหม่นี่รพินประสานมือเข้าหากัน แล้วเหยียดยาวออกไปดัดหักนิ้วลั่นกล่าวผมรู้สึกแข็งแรงดีที่สุดแล้วครับคุณหญิงก็จะมีง่วงหรืองงอยู่บ้างนิดหน่อยสงสัยเพราะคุณหญิงจะให้ยายนอนหลับแรงไปหน่อยเท่านั้นแหละครับต่สักประเดี๋ยวสิก็จะเป็นปะกะติทุกอย่างไปเราไปดูคุณชายกันดีกว่าครับกล่าวจบก็กระผุดลุกขึ้นโดยเร็วและทั้งสองก็เดินตรงเข้ามาที่เชิด้าผู้กาลังซ้อมเดินอยู่โดยเร็ว ช ย, ยันกมาเรียเหลือมาเห็นก่อนก็ร้องทักทายสำหรับทีฐานั้นพอมองเห็นพานใหญ่ก็บกมือหัวร่อร่าเดินเขยเสวนเข้ามาพร้อมกับพูดเสียงดังลั่นรับพินผมเดินได้แล้วพานใหญ่ยิ้มตอบปรีเข้าไปจับแขนพยุงนายจ้างผู้สูงศักดิ์ของเขาไว้เต็มไปได้วยความปราโมดขอแสดงความยินดีด้วยครับว่าได้คุณชายแน่ใจนะครับว่าพอจะออกเดินทางได้วันนี้ เชิดเท้าหัวเราะสนันตอบไหลเขาอย่างรักสนิทตอบอย่างมั่นใจว่าสบายมากระพินก็รู้สึกตึงๆเข่าบ้างนิดหน่อยอะแต่เชื่อว่าพอสายแดดออกและเดินไปสักหน่อยพอให้อยู่ตัวก็อาจจะเป็นปกติเหมือนเดิมคุณเดินร อ, รอผมบ้างกันแล้วกันเราไปกันช้านิดแต่ก็ยังดีกว่าที่จะต้องหยุดอยู่กับที่นะพร้อมกับกล่าวอาดีตท่านทูทหารบก ดแขนพรานใหญ่ที่จับพยุงออกยืด อ, อกขึ้นออกก้าวเดินไปเบื้องหน้าให้เขาเห็นชัดๆจนถึงสุดปลายเนินจะลงไปเบื้องล่างแล้วเดินกลับมาอีกครั้งสีหน้าแช่มชื่นกระปรี้กระเป๋าเป็นยังไงบ้างอย่างนี้พอไปกระคุนไหวไหมแล้วพินหันมามองหน้าดารินอีกครั้งอย่างไม่คลายกังวล น, นักและเหมือนจะขอความเห็นราชาสกุลสาวไม่ตอบเป็นคาพูด ไปยิ้มและพยักหน้าเป็นความหมายกับเขาส่วนชายันบอกมาว่าเจ้ากุดน่ะคือเสือเจ้าแหวงก็คือช้างเจ้าเขาเกคือมหิงสาแต่เจ้าเป๋เป็นคนแฮแล้วก็เป็นคนที่เป็นหัวหน้าคณะเสดด้วยคำพูดของชายันทำให้ทุกคนหัวเราะออกมาอย่างคลื่นเครงเจ้าตัวเองกลับยิ่งหัวเราะดังกว่าใครๆชอบอกชอบใจ ดารินนันทั้งหัวเระทั้งคอเพื่อนชายเวียงกําปั้นพลาดเขาให้กลางหลังเออแกเรียกฉันได้ถูกต้องฮะเจ้าเป๋ก็คือฉันนั่นเองเชิดาตะโกนตอบมาทํายังไงได้หรอวะเออตัวแกเองเระวังให้ดีเฮียร์กลายเป็นเจ้าด้วนอย่างสามตากันแล้วกันโอยคราวนี้ระพินไรวันปล่อยกล้าออกมาอย่างสุดที่จะกลั้นไว้ได้แทนทางนั้นก็ห hu ่รอกันงอหาย ดารินหันหน้าเมินไปทางอื่นพยายามกลั้นหัวเราะแต่แล้วก็ปล่อยคิกิกิก ค, ค, ค, ค, ค, ค, คนี่มาเรียาสางตาและขยินสามคนที่ไม่รู้เรื่องยืนมองคนโน้นทีคนนี้ทีหน้าเหลือหลาอยู่ชา ย, ยันยิ้มแห้งแลงบนอะไรอุบอิบอยู่ในลำคอไม่มีใครคิดว่ามีฉันเป็นเพื่อนร่วมตายอยู่ด้วยคนหนึ่งเหรอพูดอะไรทำไมถึงไม่ฉันรู้เรื่องบ้างอะ แม่สาวผมทองบ่นอย่างอึดอัดใจ้นหันไปถามบุญคำผู้อาปาหัวฮาอยู่ใกล้ๆกล้พ่อราพานเท่าบอกความเป็นภาษาพาม่ามาให้หล่อนเข้าใจถึงข้อความโต้อตอบหล่อนก็หันไปมองหน้าชัยันตาโตพองคอร้องออกมาเสียงต่ำๆว่าโนอย่าให้เป็นอย่างส่างตานะชั ย, ยันชั ย, ยันยิ่งกระดากจนหน้าแดงกัมสะบุดเงมึมงงโครงหัวดิ เตียวปิดเขาหลุดปากออกไปอย่างไม่มีความหมายนอกจากแก้กระดาษแผนเดินทางสำหรับวันใหม่เริ่มต้นกันอีกครั้งด้วยความสดชื่นแจม่มใสและเต็มไปด้วยกำลังใจรพินสั่งเก็บของรอเวลาทุกคนรวมหมู่ประชุมหารือกันอีกครั้งไม่ทันจะพูดอะไรกันเมื่อคืนใหญ่น้อยก็วางย้ายผมหลับไปสะก่อนเชทาว่าคว้าจุด460เ e อร์ e คู่มือ อันเป็นสมบัติตกทอดมาจากดรฮอปมันขึ้นมาตรวจสอบความเรียบร้อยคุณตั้งแผนไว้ยังไงวันนี้สำหรับผมมัเป็นอันไม่ต้องห่วงอะไปกับคุณได้แน่นอนจอมพรานนิ่งไปครูหวนทบทวนเส้นทางเดินของเขาเมื่อวานตลอดจนแผนที่กำหนดไว้ขณะนี้เราอ้อมออกทางด้านขวาของเส้นทางเดินเล็กน้อยโดยหลีกดงไม้พวกแคคตัสที่มีอันตรายเหล่านั้น เส้นทางตลอดทั้งวันของวันนี้เราจะพยายามเดินเรียบชิดดงไม้พวกนี้ไปเรื่อยๆเพื่อรักษาแนวสาสิบดี r e องศาเหนือไวอุปสรรคหรือปัญหาเฉพาะหน้าจะแก้กันเป็นเปลาะเปลาะไปแล้วไอ้ราหูไทยรันที่มันตาแตกมั้นน่ะล่ะชัยยันเปือยมันก็ไปตามทางของมันและเราก็ไปตามทางของเราเจอกันเข้ามอะไรก็เป็นเคราะไรไอ้ส่วนจะเคราะไรของฝ่ายเรา หรือฝ่ายมันอนาคตเท่านั้นที่จะบอกได้คุณว่ามันจะมีความอาฆาตตามหรือดักเล่นงานเราอีกไหมเนี่ยเดาไม่ถูกครับแต่ภาวนาว่าอย่าให้พบหน้ากันเลยก็จะดีนะครับถึงยังไงมันก็น่าจะเข็ดหลาบไปบ้างพอสมควรเพราลูกตาข้างซ้ายแตกพิการไปแล้วก็เป็นข้อเตือนใจมันว่าพวกเราน่ะไม่ใช่เยื่อที่มันจะจู่โจมเคี้ยวง่ายนัก มีพิษสูงทำให้มันเปิดอ้าวไปได้เหมือนกันแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากันอีกต่อไปเราก็จะไม่เสียเปรียบมันนักเพราะจุดอ่อนของมันก็คือตาบอดไปข้างหนึ่งแนละ้วทำให้ความคล่องแคล่ว ว, ว่องไวลดลงท่านหัวหน้าคณะมองหน้าแรานใหญ่กระจอมพเนจรคนละทีแล้วหัวเราออกมาอย่างเห็นเป็นเรื่องขันเช้าวันนี้อารมณ์ของเขาดีเป็นพิเศษ ะอะไรก็ตามเถอะถ้าพบหน้ามันอีกครั้งธนูกับลูกธนูนะอย่าให้มีอันเป็นต้องพัดแยกจากกันเหมือนเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ก็แล้วกันความจริงนะเราควรจะทำลายลงได้แล้วนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ช่วยไม่ได้จริงๆนะมารียพึมพำชายังควักสมุดแดรี่ออกมาและพูดลอยๆยว่าขอให้ทุกคนรับรู้ไว้ด้วยนะครับว่าวันนี้เป็นวันพุทธที่สิบสี่ตุลาคม ท่านหัวหน้าคณะยกนาฬิกาข้อมือแบบเดินตาเรือนที่ทอราหดที่สุดของเขาขึ้นมาตรวจสอบอืมถูกต้องนาฬิกาของฉันยังทำงานได้แม่นยำที่ยงตรงดีที่สุดว่าแต่ว่าตอนนี้เราเหลือเวลากี่วันก่อนจะถึงเนินพระจันทร์คืนห้าค่ำเดือนสิบสองไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลานับชยันบอกได้ในทันทีว่าอีกยี่สิบเอ็ดวัน ฉันไม่เข้าใจนะมาเรียทำหน้ายุ่งยากงุนงงขับขึ้นเบาๆถ้าเป็นเดือนสิบสองมันจะเหลือเวลาอีกยี่สิบอ็ดวันได้ยังไงเดือนสิบสองคือเดือนด e เซม b บ r ปลายปีไม่ใช่เหรอไอเดือน n o เวนเบ r น่ะมันเดือนที่สิบเอ็ดต่างหากดารินแกสงสัยมาให้เพื่อนสาวว่านั่นนะ่ะมันเป็นการนับเดือนตามหลักสากลจเมีแต่ตามหลักปฏิทินของไทยนะ่ะ เขนับเดือนโนเวม ber เป็นเดือนสิบสองคือเป็นเดือนที่น้ำขึ้นมากที่สุดและพระจันทร์เต็มดวงในเดือนนี้สดใสกระจ่างแจ่มที่สุดในรอบปีด้วยมารียพยักหน้าครางออกไปอย่างหมดข้อข้องใจว่าไอ้ีิ <I see. S 1> ทนกลุ้มใจฟังมานานแล้วว่าโนเวม ber มันจะเป็นเดือนที่สิบสองได้ยังไงฮะโล่งออกไปทีอีกยี่สิบเอ็ดวันทุกคนท่องและกาหนดอยู่ในใจ 21วันกำหนดตายตัวที่จะต้องบุกบันฟันฟาไปให้ถึงตำแหน่งเป็นเนินพระจันทร์ที่กำหนดไว้ในแผนที่ของมังมหานรธาก่อนที่ความหวังทั้งมวลจะพังพินาศลงหมดสิ้น21่วันของการไม่สามารถจะบอกได้ว่าเลือดเนื้อและชีวิตของใครจะสูญเสียไปบ้าง <reet. S 1> การเดินทางเริ่มต้นเมื่อเวลา 9.30 นาฬิกานาที อันเป็นวาระที่หมอกจางลงจนสามารถมองเห็นภูมิประเทศรอบตัวใกล้ๆได้ถนัดและท้องฟ้าเริ่มปรากฏลำแสงของตะวันที่สาดลอดกรีบเมฆออกมารางๆ i n ขบวนเคลื่อนย้ายลงมาจากไหลเนินของภูเขาหินสู่เบื้องล่างรูปขบวนกำหนดกันขึ้นอีกครั้งพานใหญ่สั่งให้แงซ า, ายผู้หาบของคู่กับขยินเป็นคนนาไปเบื้องหน้านี่จึงนับเป็นการสับเปลี่ยนหน้าที่มักคุเทศ ซึ่งเขานํามาตลอดเป็นครั้งแรกโดยโยนโดยโยนหมอบไปให้แก่แงาา่ทรายจอมพเนจรวางหน้าเฉยเมื่อได้รับคําสั้นๆนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะนําทางไปถูกต้องกับเป้าหมายและถูกต้องกับเจตนาของผู้กองหรือเปล่านะครับแต่ฉันแน่ใจอะไรทําให้ผู้กองแน่ใจเช่นนั้นล่ะครับลายแทงเส้นทางนะอยู่ที่ผู้กองนะครับ แล้วการตัดสินใจขีดเส้นก็อยู่ที่ผู้กองคนเดียวผมเนี่ยเป็นแค่คนใช้ลูกหาบไม่รู้เส้นทางดีไปกว่าผู้กองหรอกใช่โดยหน้าชาผิวเผินเรื่อง น, นอกนะ่ะกคือคนใช้และลูกหาบแต่ความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่นั้นฉันและพวกเราทุกคนไม่อาจรู้ได้ทว่าที่แน่นอนที่สุดก็คือแกเป็นคนหนึ่งที่จะต้องพยายามจนสุดชีวิตเพื่อเดินทางให้เข้าสู่เป้าหมายนี้ และสิ่งนี้แหละที่ทำให้ฉันไม่ห่วงเลยสักนิดว่าทำไมแกถึงจกแกล้งเดินให้ผิดเส้นทางหรือถ้าแกจกแกล้งเช่นนั้นฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรงีสายยิ้มออกมานิดหนึ่งไม่กล่าวเช่นไรอีกนอกจากก้มศีรษะให้เขาน้อยๆเชิงรับคำสั่งหรือมิฉะนั้นก็ยอมจนอนํานนต่อการเท่าทันนั้นโดยดุดสนแล้วก็ออกเดินนาหน้าไปเมื่อได้รับคาสั่งให้เคลื่อนที่ กระพินเองเดินลงมาเคียงกับเชิฐาซึ่งกระเพลิกอยู่กลางขาบวนโดยมีน้องสาวเดินใกลยย้ไม่ยอมห่างท่านหัวหน้าคณะมองหน้าเขาแล้วยิ้มให้ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกผู้กองน้อยนะ่ะเป็นพี่เลี้ยงผมอยู่แล้วไปเะไปเดินหน้าขาบวนตามปกติฮะไปเดินชะลอชะลอหน่อยแล้วกันอย่าเพิ่งทําเวลานะักไปเดี๋ยวผมจะแเหยเกไม่ทันไม่เป็นไรครับคุณชาย ตลอดการเดินทางทั้งวันเนี่ยผมปล่อยหน้าที่มักคุเทศให้งแง่ทายโดยอิสระครับมันจะทําหน้าที่แทนผมเชี่ยวาและคณะเจ้านายทั้งหมดของเขาไม่มีโอกาสจะได้ยินถึงการพูดกันตัวต่อตัวระหว่างเขากับแง่ทายเมื่อครู่นี้จึงย่อมจะเกิดความฝ่วงใยเป็นธรรมดาและไม่เข้าใจในคำพูดของเขาคุณไว้มันคุณไว้ใจมันได้ยังไงว่ามันจะนําไปถูกทางหึ่มผู้กอง จอมพรานหัวเราะหึๆในลำคอเชื่อผมจะครับคุณชายมันจะต้องนำไปถูกทางแน่นอนกราับใดก็ตามที่ตัวมันเองก็อยากจะไปให้ถึงที่นั่นไม่น้อยไปกว่าเราความจริงนะผมควรจะให้มันนำทางตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้แล้วด้วยซ้ำอย่างน้อยก็ในระยะระหว่างเขาเกิือกมากับทะเลสาบมรณะเชี่ยวาพยักหน้าอย่างเข้าใจและไม่ถามอะไรอีก มารีอฮอฟมันกับชยันทำหน้าที่รังท้ายขบวนตามเคยพอเดินกันไม่ได้เพียงไม่นานนะทามกลางทางด่านอันสลับซับซ้อนของป่าหินนั้นแม่เพื่อนใจต่างผิวของเขาก็สะกิดสีขพอหันหน้าไปมองด้วยความสงสัยหล่อนก็ป่ายหัวแม่มือข้ามไหลไปยังท้องฟ้าเบื้องหลังโดยไม่พูดอะไรชยันมองตามแล้วใจเหี่ยววูบลงโดยไม่รู้สึกตัว เงาปีกสีดำของเจ้าแรงพันไก่งวงอันน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่บินตามมาเมื่อวานนี้บบบนี้ปรากฏตัวเล่นลมบินว่อนให้เห็นอีกครั้งในทิศทางที่เยื้องไปเบื้องหลังในลักษณะบินตามเช่นเคยเขามองหน้าเพื่อนสาวสังเกตอะไรไม่ได้นอกจากความนิ่งขึมตัวเดียวกันหรือเปล่าเม่เสียงเขากระซิบสงสัยนะ ตอนค่ำเมื่อวานแลอเมื่อคืนเนี่ยมันไปอยู่ซะที่ไหนใครจะบอกได้เราพักมันก็พักมันอาจอาศัยหลบอยู่ตามชะง่อนโพรงหินสูงๆบริเวณใกล้เคียงเราที่ใดที่หนึ่งพอเราเริ่มต้นออกเดินต่อมันก็ตามต่อไปสังเกตอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเนมะื่อวานนั้นมันหายไปตอนไหนก็ตอนที่เราพบร่องรอยพักนอนของนายชด เย็นวานเะนี่นยังเห็นมันร่อนตามอยู่ทุกขณะนะแต่ตอนที่เราหลงเข้าไปในดงพันธุไม้กินคนนะตอนนั้นไม่ได้สังเกตนะเพราะมันมืดเต็มทีแล้วมันอาจจะหายไปตอนนั้นก็ได้เอาละ่ะถือซะว่ามันเป็นรางดีสําหรับเราซะก็แล้วกันวันนี้ถ้าหาสัตว์อะไรมาเป็นสเสบียงไม่ได้เราจะกินอิแร้งตัวนี้แทนมาเรยิ้มฝืนฝื น, ฝนไม่เห็นเป็นของขบขันเหมือนอย่างที่ชา ย, ยันเจตนาพูดให้ได้ความรู้สึกเช่นนั้น คุณสังเกตการเดินทางของเราเช้าวันนี้ไหมอะไรเหรอเมก็พรายวันสิเขาให้แง่ทรายนาทางไงอดีตนายทหารปืนใหญ่มองไปทางหัวะบวนอย่างพินิษและบอกกับตนเองว่ามาเรียรอบคอบสังเกตละเอียดได้ดีที่สุดเขาเพิ่งจะมาจับเคล็ดได้ก็เพราะหล่อนสกิบบอกนั่นเองถ้าเช่นนั้นผู้กองของเราก็ทำได้ถูกแล้วละเมหมายความว่าไง ก็ก็รู้อยู่แล้วนี่ไงบอกแง่ทรายนะ่ะรู้เส้นทางดีกว่าเขาและจะไม่มีวันพลาดเป็นนั้นขาดเพื่อตัดปัญหาเรื่องการเล่นทริกใดๆทั้งมวลของแง่ทรายเขาก็เลยมอบหน้าที่การนำทางให้แก่มันจะรูแลรู้รอดสองคนนั่นกินกันไม่ลงเลยนะทุกเกลี่ยมทุกมุมก็ทันกันดีเหลือเกินก็คงจะมีแต่พวกเราเนี่นแหละที่โง่อยู่นานไม่เฉลิวคิดเท่าทันเลยว่า สองเสือน่ะเขาเอาเหลี่ยมเข้าถูกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางแล้วยากที่จะตัดสินได้ว่าใครเหนือใครยังไงก็ตามผมก็มีความเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนตต็มแล้วว่าถ้าทั้งสองคนนั้นสามัคคีกลมเกลียวและให้ความร่วมมือกันอย่างแท้จริงแล้วอย่าว่าจะเทือกเขาพระศิวะที่เราจะมุ่งหน้าไปเลยต่อให้สุดล่าป่าหิมพานหรือนรกบาดาลชั้นไหนพวกเราก็บุกบันฟันฝ่าไปได้จนสาเร็จ ชยัหืว่าไงคุณคิดว่าเจ้าลูกหาพิเศษของคุณคนนั้นนเป็นอะไรหมายความว่าไงเมก็แบ็คกราวน์ความเป็นมาของเขาเท่าที่คุณรู้ที่แน่แน่ก็คือนายทหารกองโจรกระเรียงเย็ดร้อยโทเคยฟาดข้อกับผู้กองระพินของเรามาก่อนแล้วสมัยที่เขาอยากเป็นตำรวจตะเวนชายแดน แล้วลึกลงไปกว่านั้นนะผมไม่รู้ว่ารู้แต่เพียงว่ามันเป็นคนลึกลับมีความเป็นมาเบื้องหลังที่ลึกลับมากนี่เฉยๆคุณจะเชื่อไหมถ้าฉันจะบอกว่าชายผู้นั้นผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นลูกหาบและคนใช้คณะของเราหาบของเดินคู่อยู่กับขยินในขณะนี้รู้จักงานของเชคสเปียร์บอลแต่มินตัน ลองเฟิโลเกิร์เตอะตลอดจนกวีต่างๆของโลกเป็นอย่างดีดีกว่าเราสกชัยยันอนันต์ไรชงักตึกดจ้องหน้ามาเรียผู้พูดแผ่วเบาเรียบเรียบเรื่อยๆเหมือนกับว่าหูจะฝาดไปวะเขาร้องลืมตาโตหูคุณไม่ฝาดหรอกฉันหมายความอย่างที่พูดเช่นนั้นจริงๆนะชัยยันแต่ผมไม่เข้าใจที่คุณพูดนะเมย์ ปริญญาตรีทางอักษราศาสตร์มหาวิทยาลัยบอมเบคือที่มาของชายคนที่ใช้นามว่าแงาสายอีกฝ่ายหนึ่งตะลึงพึงเพลิดเหมือนเผชิญหน้ากับสิ่งมหัศาจรรย์ที่สุดยิ่งกว่าการปรากฏตัวของไทแรนโนซอรัสเมื่อค่ำวานเขาจ้องตามาเรียไม่กระพริบแล้วหันขวับไปเบื้องหน้าจับอยู่ยังเบื้องหลังของคู่หาดอันสูงใหญ่ที่กาลังเดินนาไปโดยเฉพาะคนหน้า ร่างตรงตรง่านนั้นแลดูราวกับตุ๊กตาปั้นของนักรบโรมันเป็นปดวดตถพละกำลังอันแข็งแรงอาจองค์และสง่างามยิ่งเม่คุณรู้ได้ยังไงความจริงย่อมหนีความจริงไม่พ้นหรอกชยันเขาสารภาพกับฉันเองเมื่อเห็นว่าจะโกหกหรืออําพรางไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะฉันจับพิรุษได้เขาพูดอังกฤษได้ดี พูดฝรั่งเศสคล่องเป็นคนได้รับการศึกษาขั้นสูงและผ่านดินแดนสิวิไลยอย่างพวกเรามาแล้วฉันไม่อยากจะบอกความลับที่ฉันค้นพบได้จากชายพวกนี้แก่คุณหรือพวกเราหรอกแต่เห็นว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณควรจะต้องรู้เพื่อวิเคราะห์นี่คุณล้อผมเล่นเหรอเชื่อสิชยันว่ามันเป็นเรื่องจริงด้วยลึกๆพิจารณาให้ดีนะ ทุกกิริยาบทการเคลื่อนไหวอากับกิริยาท่าทีและคำพูดของคนคนนั้นแม้ว่าจะแ้งอำพรางสักขนาดไหนก็ตามถ้าคุณใช้ความละเอียดสักหน่อยคุณจะค้นพบได้เองตามที่ฉันบอกโห oh, มาส จ, จัน่นเฉยๆไว้ก่อนนะชยันอย่าเพิ่งกระตกกระตากแพร่งพลายใดๆออกไปอย่าเพิ่งให้น้อยพี่ใหญ่หรือไพรวันทราบความจริงข้อนี้ เรารู้กันเพียงสองคนและคอยจับตาดูชายคนนี้ไปก็แล้วกันชายยันพูดอะไรไม่ออกเขากำลังตื่นเต้นหมื่นงงป่าหินสลับไปกับดงกระบองเพชรป่าแล้วป่าเล่าทั้งคณะผ่านกันไปเป็นลำดับแง่า ย, ายนำเลี้ยวลัดตัดทางไปอย่างแคล่วคล่องปราศจากการลังเลอากาศก็อบอุ่นขึ้นทุกทีจนกลายเป็นความอา้าว เมื่อตะวันลอยตัวสูงขึ้นบนท้องฟ้าร่างที่หากคานหามนำไปเบื้องหน้าก้าวดุมไปด้วยฝีเท้าอันได้ระดับสม่ำเสมอดวงตาทั้งคู่แจ่มใสเป็นประกายรับพินไพยวันแม้จะหน่วงระยะอยู่กลางขาบวนเคียงข้างท่านหัวหน้าคณะเขาก็คอยสังเกตทิศทางการนำของแง่้ายอยู่ทุกฝีก้าวย่างโดยไม่ประมาททั้งหมดเดินกันไปอย่างเงียบเชียบกลืนกับธรรมชาติแวดลอ้อม คงได้ยินแต่เสียงฝีเท้าทั้งสิบสองคู่ที่ยำไปตามพื้นกรวดทรายและหินเท่านั้นการเดินเป็นไปอย่างสบายไม่เร่งเวลานักเพราะทวงรอเชิฐาผู้ซึ่งนับเวลาที่ผ่านไปก็เริ่มจะก้าวขาได้คล่องขึ้นทุกขณะภูมิประเทศคงดำรงความเปรียวกันดาลปราศจากร่องรอยวิแววของสับปะสั์ใดๆย่างกลายมาให้เห็นนับตั้งแต่เริ่มต้น ออกเดินทางในเช้าวันนี้เป็นต้นมานอกจากเจ้าแรงพันไก่งวงที่ร่อนอยู่บนท้องฟ้าสูงเบื้องหลังเท่านั้นที่เป็นเงาตามตัวมาทุกระยะคันแล้วในความเงียบเชียบจนแทบจะได้ยินความคิดอันวกบนของแต่ละคนเหล่านั้นล้ำนำเพลงในภาษาชาวเขาก็กองกลังวานขึ้นมันลอยมาด้วยสำเนียงห้าวทุม้มมีลีลาประหลัด และแน่ลักมันลอยแววมาจากหัวขบวนสะท้อนกล้องไปทุกซอกมุมโขดหินริมทางผ่านเข้ากับจังหวะเสียงฝีเท้าเดินของทั้งคณะกลุ่มของนายจ้างไม่สามารถจะเข้าใจในภาษานั้นแต่ก็ชงนสนเทและดูเหมือนจะถูกสะกดไปด้วยกระแสะอันสูงต่ำไยเราะนั้นจนต้องเงี่ยโสดสดับฟังโดยไม่ตั้งใจ กระพินไพรวันขมวดคิ้วเล็กน้อยขยับจะป้องปากตะวาดออกไปให้เจ้าคนที่มีอารมณ์ใสยอยู่ในขณะ น, นี้สงบปากเสียงลงเพราะเพลงของมันทำเสียงอึกกระทึกขึ้นโดยใช่เหตุแต่เชษฐาเข้าใจอาการเขายกมือขึ้นพรามซะก่อนปล่อยมันกระพินปล่อยให้มันร้องเพลงไปดีมืกันดีกว่าจะต้องเดินกันไปอย่างเงียบเหงาเช่นนี้พรานใหญ่จึงสงบลง และลำนำเพลงประหลาดนั้นก็สะท้อนก้องต่อไปด้วยกระแสเสียงอันชัดเจนน่าฟังกระพินผู้ขานนามเขาเบาๆคือคุณหญิงดารินรับผมคุณพอจะแปลให้เราฟังได้ไหมใจความเพลงของแง่ทรายนะ่ะเขาเปล่าถึงอะไรจอมพรานนิ่งไปครู่แล้วเขาก็ถอดข้อความออกมาให้คณะนายจ้างของเขาฟังว่า หบเหวห้วยละหารลำเนาไพรข้าบุกบันไปปิ่มเลือดตากระดิ่มีดวงดารากรแทนประทีปส่องฝากอนาคตไว้กับหมู่เมฆอันเลื่อนลอยสุริยาประทานพลังฤทธิ์ให้แก่ข้าจันทราเปรียบเสมือนเพื่อนใจหากสวรรค์ส่งข้ามาเกิดจริงแล้วไซข้าคงได้คืนกลับ ไปสู่เจ้าได้สมจิมรอ่าก่อนอาณาจักรสีทองอันพองใสรอ่าก่อนประชากรทั้งหลายและรอ่าก่อนศัตรูหมู่อมิตรข้ากำลังจะกลับไปกลับไปกลับไป